มาจากที่ไหนกันมาจากที่ไหนกันที่เคยมาหรืาเคยแล้วรู้จักที่นี่ได้ไงรู้จักยูทูบยูทูบเลอืมัยนี้โลกเรารู้จักกันง่ายนะเข้าไป Youtube ก็รู้จักกันได้นะ มีอะไรอยากจะถามหรือเปล่าวันนี้าามาถามได้มันจะตอบได้เปล่าถามได้พอาจารย์ห้าเห็นเห็นพระอาจารย์บางทีแสดงธรรมว่าเวลาปฏิบัติที่ต้องให้เกิดความสงบใช่ไหมคะันจะมาธิะคะ่ะเจะนิเวลาเวลาเราเกิดความสงบนี่พระอาจารย์ จิตเรามันไม่คิดเกาะอยู่ในความสงบตลอดเวลานะแล้วแล้วทีนี้บางทีมันจะมีสัญญาณอะไรขึ้นมาอย่างนี้นะคะเราก็ให้ดึงกลับมาตรงที่ที่สมมติว่าเราจเจริญอานาบานสติแล้วก็ประดูที่ลมใช่ไหมคะเพื่อให้กลับมาพระจิตมันจะเกาะ อ, อยู่ในปุ๋ยเพระว่าในถังอะไรอย่างนี้นะคะแต่เนี้ยพระอาจารย์บอกว่าให้ดูให้ให้เกิดจากความสงบพอความสงบมันมันก็จะไม่ไม่ใช่ว่าอยู่ตลอดเนะี่ยจิตมันก็จะวิ่งเคลื่อน เราก็ต้องดึงกลับมาที่ลมหมายถึงวิธีฝึกก็คือให้ฝึกอย่างนี้ตลอดใช่ไหมคะก็ฝึกจนกาจิตมันจะนิ่งจะจะจะไม่วิ่งไปวิ่งมาพอใจมันจะนิ่งเลยตอนนี้จิตเราอยู่วิ่งวิ่งไปวิ่งมาตามอารมณ์ต่างๆตามรูปเสียงกลิ่นแล้วตามความคิดเราเลยต้องดึงจิตให้เข้ามาที่ที่สมาธิเป็นที่จิตจะพักมันใช้เวลานาน ก็อยู่ที่กำลังของสติสติจะคือมันจิตเราเนี่ยตอนนี้มันถูกกิเลสดึงออกไปดูความกามาตันหากา ม, มาชันทะความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะดึงจิตให้คิดเกี่ยวกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสอยู่เรื่อยๆที่ถ้าเราต้องการที่จะดึงจิตกลับเข้ามาตอนนี้มันดึงออกไปทางตาหูจมูกมือกายเราก็ต้องใช้สติดึงเข้ามา สติก็คือพุโทโธพุธโทโธเนื้ออาณาปณสติก็ลมหายใจเราต้องเพ่งจิตให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวก็คือมันเคลื่อนออก่าแล้วก็ดึงกลับมาอ่าดึงกลับจ น, น, น, จ, นจนสุดท้ายมันกับมนไม่ไปอ่าพอมันหมดแรงแล้วแรงของกิเลส ท, ที่ที่จะดึงออกไปมันหมดมันหมดกำลังมันจิตก็จะนิ่งสงบมันจะต้องใช้ความพีเยอะเหมือนกันก็แน่นอนอ งั้นมันก็เป็นอรหรันงหมดแล้วนะใช่ไหมมันอรหันเหมือนเขาวัวพุตชนนตชโยนนี่เหมือนขนวัววัวตัวหนึ่งเนี่ยมันมีเขาแค่สองอันนะแต่มีมีขนวัวขนเป็นรอยเส้นนะแบบเดียวกันในโลกนี้พระาอารหันพระพุทธเจ้านี่มี เหมือนเขาวัว hey. ul, ส่วนปุถุชนที่มีกิเลสตัณหานี่นเหมือนกับขนวัวคนในโลกนี้เจ็ดหมืนเจ็ดพันล้านคนมีอรหรรันต์กี่ลูกสมอะไรดีดีี่ี่ันนะคะเออเขาว่าไงอรหันต์มาณิบสี่ิลหมคะสี่สลูก ที่ไหนที่ที่พิพิธภัณฑ์ที่ไหนอ๋ออันนั้นก็ไม่ได้เป็นสิทธิสิทธิทางทางการ <c oughs> ก็เป็นการเท่าที่เขาจะค้นหาได้เช่นพาาาระอรหันต์สายหุวงปู่มั่นพระลูกศิษย์หงปู่มั่นครูบาอาจารย์ต่างๆที่ท่านบรรลุแล้ว กรดูกท่านกลายเป็นพระธานเขาก็เลยรู้ว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์ทีบวัดยาเนี่ยเขามีพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งแล้วเขาก็เอาหุ่นขี้พึ่งของครูบาอาจารย์บางรูปนับตั้งแต่หลวงปู่มั่นลงมามีหลวงปู่มั่นหลวงปู่ขาหลวงปู่ชาหลวงตามหาบัวเขาก็จัดนินทรรศการ คุณคิดเพิ่มแล้วก็มีประวัติโดยสังเกตของท่านเขียนไว้ให้ผู้ที่ไม่รู้จักพระอรหันต์จะได้รู้จักว่าในโลกนี้มีพระอรหันต์นอกจากพระพุทธเจ้าที่เรารู้กันว่าเป็นพระอหรหันต์ตถสามมาสามพุทธเจ้าแต่พระอรหันต์สสาวกนี่เราจะไม่ไม่รู้จักกันอย่างแพร่หลายนอกจากคนที่อยู่ใกล้ชิดในวงการ ถึงจะรู้จักผ้าหันต่างๆแต่ก็มีจำนวนน้อยมากถ้าเราเปรียบเทียบถึงปริมาณของปุถุชนอย่างพวกเราที่มีกิเลสตัณหานี่มีเต็มไปหมดไปตามศูนย์การค้าไปตามโรงภาพยนต์ตามอ ะ, อะไรสถานที่ต่างๆบันเทิงต่างๆนั้นไม่มีผ้าห า, หาันมีเท่านั้นเพราะผ้าหาันส่วนใหญ่ท่านก็ไปอยู่แต่ที่สงบ อยู่ในป่าในเขาซึ่งถ้าเราไม่ได้เป็นพวกแสวงหากันพวกเราจะไม่จะไม่เจอกันถ้าพวกเราแสวงหาแต่รูปเสียงกลิ่นรสเราก็จะไปแถวศูนย์การค้าแถวแหล่งบันเทิงต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนี้เราจะดึงใจให้เราเข้าสู่ความสงบเพื่อเป็นพระอรหรันต์ เพื่อเข้าสู่พระนิพพานก็ต้องใช้สติดึงใจให้ออกจากรูปเสียงกลิ่นรสออกจากกามะฉันทะที่นั่งสมาธิแล้วไม่สงบก็เพราะเนี่ยกามนิวร์ใช่หหนึ่งในนิวร์ก็คือกามะฉันทะเดี๋ยวนั่งปั๊บนี่ยก็อยากจะดูอะไรละอยากจะฟังอะไรละอยากจะเดินอยากจะรับประทานอะไรกันมันก็เลยทำให้ดึงใจเข้าไปข้างในไม่สาเร็จ ก็ถ้ากำลังสติไม่มากพอนี่มันจะไม่เข้ามันก็จะดึงกันไปดึงกันมาทักพักหนึ่งเดี๋ยวเราก็หมดแรงสติก็หมดแรงก็ยกทงขาวนั่งสมาธิได้สักพักหนึ่งยังไม่สงบ ก, ก็เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้อึดอัดในใจก็เลยเลิกนั่งเพราะทนนั่งต่อไปไม่ได้จจกมันมันงสบว่าะิ ในขณะที่ความสงบลุเกิดขึ้นมันจะบางทีนานๆทีมันก็มีสัญญาณเข้ามาอะไรเหมือนกับความคิดเข้ามาอะไรย่างนี้นใช่ไใช่ก็ยังไม่สงบเต็มที่ไงถ้าสงบเต็มที่จะไม่มีอะไรจะมีแต่ความว่างามีแต่มีแต่ e um, เอกขัต e um, ารลมคือสัพตะวารุแล้วเราเราเฝ้าดูตรงไมนรึเปล่า ะ, ะมันจะเกิดดัดเกิดคือตอนนั้นถ้ามันสงบมั น, ม, นมันไม่ต้องเฝ้าอ่ะ แล้วมันไม่มีอะไรเกิดดับเกิดดับตอนนั้นมันว่างไงมันมีแต่อุเบกขาอย่างเดียว mm hmm. ยังเข้าไปไม่ถึงจุดนั้น mm hmm. ถ้าเข้าถึงจุดนั้นแล้วมันจะสบายจะมีความสุขจะสักแต่ว่ารู้รูปเสียงก ล, ลิ่นรดด้วยแม้แต่ตาหูจมูกลิ้นกายบางทีก็หายไปหมด mm hmm. เหมือนลออยู่ในอาวากาศคนเดียว mm hmm. จะเดินตามผ้ากันนะครับเ<อ>ลวลาที่เราฝึกสติเข้าดูความคิดอยู่เนี่ยแล้วบางครั้งเนี่ยเราสามารถจับตัวความคิดได้แล้วเนี่ยนะครับ เ, <อ>เราควรจะตามดูต่อไปจนความคิดมันหมดกําลังไปเองหรือว่าเราควรจะตัดความคิดออกเนี่ยครับวิธีไหนจะจะถูกต้องกว่าคือเราไปตัดความคิดไม่ได้เราต้องใช้เซ็ตเราต้องมีจิตเพ่งอยู่กับอะไรอย่างหนึ่งแล้วความคิดมันก็จะหายไปเอง ถ้าเราไปตามความคิดก็เหมือนวิ่งกับตะคุกเงาเหรอกหมายมายถึงว่าถ้าเราใช้สติเฝ้าดูความคิดในขณะที่มันกลุ่มแต่งนะครับ น, น ล, ล้าก็ดูไปเรื่อยๆจน อ, อมันไม่อยู่เรากยิ่งดูมันก็ยิ่งคิดเนี่ย ค, ความคิดจะไม่หยุดใช่ไหมครับไม่หยุดหรอกเราต้องเพ่งให้อยู่กับเรื่องอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอย่าไปตามความคิดเช่นเพง่งถืหล่อยได้นี่ครับเพ่งดูลมหายใจเข้าออกอแล้วแต่กรณี ถ้าเราเดินเราเดินจงกรมเราก็ดูเท้าเราก็ได้หรือบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้ถ้านั่งก็ดูลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรมพุทโธพุทโธไปเพียงอย่างเดียวอย่าปล่อยให้ไปคิดนั่นคิดนี่พุทโธพุทโธไปแต่ส่วนใหญ่มันพุทโธได้สามสี่คำมันก็ไปละเดี๋ยวก็ไปเรื่องนั้นไปเรื่องนี้แล้วมันไม่รู้สึกตัวแล้วว่าไปไม่รู้ว่าพุทโธหายไปไหน มัวแต่นั่งคิดเรื่องนั้นอย่งนี้เวลาผ่านไปสิบยี่สิบนาทีเพิ่งมารู้ว่าเราไม่ได้พุโทโธเลยเราดูความคิดเนี่ยตามความคิดไปความคิดยิ่งดูมันก็ยิ่งคิดใหญ่ดังน้นเราอย่าไปดูความคิดเราต้องดูลงดูพุโทโธดูกรรมฐานกรรมฐานสี่สิบเนี่ยเป็นเป็นเหมือนเสาที่เราจะ เกาะไว้เช่นเราลอยอยู่ในน้ําในแม่น้ำเนี่ยแม่น้ํา ม, ม, มันมีกระแสน้ําหลเชี่ยวถ้าเราไม่มีอะไรเกาะมันก็จะเราก็ต้องไหลไปตามกระแสน้ำใจเราถ้าไม่มีกรรมฐานมายึดเหนี่ยวมันก็จะไหลไปตามกระแสของความคิดต่างๆนั่นเราถึงต้องมานั่งกรรมฐานยไงมาเจริญกรรมฐานกรรมฐานมีอยู่สี่สิบชนิดแต่เราไม่ต้องใช้ทั้งสี่สิบชนิด เราเลือกใช้ชนิดที่มันเหมาะกับเราในกรณีนั้นเพราะเมื่อเราอยู่ในหลายเหตุการณ์ไหนในหลายเอเรียบทแต่กรรมฐานบางชนิดนี้ก็ใช้ได้ทุกกรณีเช่นคําบริกรรมพุโทโธเนี่ยใช้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทําอะไรเราก็พุโทโธได้อาบน้ํำล้างหน้าแปรงฟันเราก็พุโทโธพุโทโธไปปกติถ้าเราไม่พุโทโธมันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใช่ไหม อาบน้ําไปก็คิดถึงคนนั้นคน to to physique, นีน้เรื่องนั้น right? เรื่อง น, น, องนี้นี่เราต้องการที่จะไม่ให้มันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ใช้พุทโธเข้ามาให้มันคิดพุทโธแทนถ้ามันคิดพุทโธมันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เพราะความคิดมันคิดได้ขั้นมาหนึ่งอย่างถ้าพุทโธพุทโธอยู่จะไปคิดเรื่องนั้นก็ถ้าไปคิดก็แสดงว่าไม่ได้พุทโธแล้วถ้าพุทโธมันก็ไปคิดเรื่องนั้นไม่ได้เรื่องนี้ไม่ได้ อาใช้พุโทโธนี้มันใช้ได้ตลอดเวลาเลยตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยไม่ว่าจะทํากิจวัตรอะไรต่างๆไม่ว่าจะเดินจงกรมไม่ว่าจะนั่งสมาธิเราสามารถใช้คําบริกรรมพุโทโธนี้ได้ถ้าเรามีพุโทโธอย่างต่อเ น, นื่องพอเรานั่งเฉยๆจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่ถ้าจิตยังเคลื่อนไหวร่างกายยังเคลื่อนไหวยอยู่จิตยังต้องทํางานอยู่ต้องสั่งให้ร่างกาย เดินสั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆอยู่เพรตอนนั้นมันจะไม่รวมมันจะไม่สงบเต็มที่แต่มันก็จะไม่ฟุ้งเพราะมีมีพุโทโธคอยกํากับอยู่แต่ถ้าเราไม่มีพุโทโธเลยเดี๋ยวมันก็ฟุ้งขึ้นมาคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้แล้วเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาเกิดความอยากขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราต้องหมั่นเจริญสติ คอยควบคุมความคิดไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่เรามานั่งเพียงอย่างเดียวเพราะมันจะมีกำลังไม่พอถ้าเรามันควบคุมความคิดตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาเล ย, เ น, ย mm hmm. นักปฏิบัติที่เขาปฏิบัติเต็มรูปแบบเช่นนักบวชเนี่ยเขาจะจะลานสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอมตาขึ้นมานี่เขาถ้าไม่พุโทโธเขาก็ต้องมีอะไรเกาะไว้แล้ว ใช้เกาะที่ร่างกายก็ได้ถ้าไม่ใช้พุโทโธก็เฝ้าดูล่างกายตอนนี้ร่างกายกาลังทำอะไรอยู่ mm hmm. ก็อยู่กับร่างกายไปอย่าให้มันไปอยู่ที่อื่น mm hmm. กำลังอาบน้ำก็ให้อยู่กับการอาบน้ำอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้อย่าไปที่ทำงานหรือไปที่ไหนที่เราอยากจะไปจ mm hmm. ะเจห็นว่าอาจารย์หมายถึงว่าใช้สติจับอยู่กับการเคลื่อนไหวของเราสม ยกแขนก็ให้รู้ใช่เอถ้าเราใช้ถ้าเราใช้ถ้าเราใช้ร่างกายเป็นที่ที่ผูกผูกใจผูกใจแล้เราก็ต้องเฝ้าดูร่างกายทุกกิริยาบทของการเคลื่อนไหวยกแขนยกเท้าหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาอคือเกียวเกี่ยวของอยู่กับการเคลื่อนไหวตลอดถ้ารับประทานอาหารก็เกี่ยวอาหารเกินอาหารคือไม่ให้ใจไปคิดเรื่องอื่น ให้อยู่กับเรื่องที่เรากำลังทำในปัจจุบันพกใจแจ้งใจสติคือการดึงใจให้อยู่ปัจจุบันให้อยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้แล้วให้ไม่ให้คิดเพรา ะ, ะบางครั้งลมหายใจจะละเอียดเกินไปแต่ถ้าเราเคลื่อนไหวร่างกายก็จะ จ, จะจ ะ, จะยากกว่าถ้าเราถ้าเราเคลื่อนไหวร่างกายเราต้องดูร่างกายถ้าเรานั่งเฉยๆเราถึงต้องดูลมเพราะถ้านั่งเฉยๆไม่รู้จะดูร่างกายไปดูตรงไหนมันจะใจมันจะไม่มันไม่มีที่เกะ ก็ต้องให้ม <c oughs> ันดูลมแทนการกายกตาสติกะอนาปัสตินี้จะไปสลับกันทาหน้าที่ถ้าเดินถ้าทากิจกรรมต่างๆก็เฝ้าดูร่างกายไปถ้านั่งเฉยๆก็เฝ้าดูลมหายใจไปเป้าหมายก็คืออยากไปคิดถ้าไม่คิดแล้วเดี๋ยวจิตก็จะรวมจิตจะรวมเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ฐานของจิตเข้าสู่สมาธิหลังั้ จิตสงบจนเกิดปิติแล้วเราจะหลุดจากมันได้ยังไงครับบางครั้งมันจะรู้สึกว่ามันมันไม่ไม่ไม่อยากจะไปไหนต่อติดอยู่กับความสงบแบบนี้ครับก็เราไม่ต้องการไปไหนถ้าเหมือนกับเรานั่งรถนั่งรถไฟมาถึงสถานีหัวลำโพงแล้วจะมันวิ่งไปไหนต่อเลยเหมือนติ ด, ตดในสมถะหรืออะไรไม่ติดก็เราต้องการความสงบะจะไปติดได้ไงเราไม่เคยมีความสงบเราต้องการให้มันสงบก็ออยา น, นะ แล้วพอมันสงบแล้วเราก็ต้องรู้จักรักษามันไม่ใช่แต่สงบแต่เฉพาะเวลาที่นั่งสมาธิออกจากสมาธิมาเราก็ต้องใช้สติประคับประคองมันต่อนจนกระทั่งเราชำนาญคือมมีความสงบตลอดเวลาไม่ว่าเราจะนั่งหรือไม่ว่าเราจะออกจากสมาธิมาเราสามารถประคับประคองความสงบของใจไว้ได้ พอเราทํานานในความสงบแล้วเทนี้เราถึงจะมาทางปัญญา น, นี้สติก็จะมีกำลังของมันขึ้นเองโดยธรรมชาติมันมีมันถึงสงบไหถ้าไม่มีสติมันก็ไม่สงบแล้วพอเรามีสติทั้งขณะที่นั่งทั้งขณะที่เดินยืนนั่งนอนจิตมันก็จะสงบไปตลอดเวลาเพียงแต่ว่ากิเลสยังไม่ตายความอยากมันยังสามารถแทรกเข้ามาได้ในช่วงของความสงบต่างๆหรือเราไปทางานทาการไปพปบปะกับ เหตุการณ์ต่างๆกิเลสมันจะโผล่ขึ้นมาก a มตันหาภวะตันหาวิภาวะตันหาจะโผล่ขึ้นมาเราก็ต้องถ้าเราใช้สติก็จะหยุดมันได้ชั่วคราวมันจะไม่ตายด้วยกําลังของสติเช่นถ้าเราโกรธเราก็พุโทโธพุโทโธพุโทพโธไปมันก็หายโกรธแต่เดี๋ยวเราไปไปเจออีกเรื่องหนึ่งก็โกรธขึ้นมาใหม่การที่พูดถึงสตินี่เวลาเกิดดับนี่เป็นคนละดวงกันหรือดวงเดียวกันครับ ไม่รู้เหมือนกันไม่ต้องไปสนใจให้รู้ว่าเราสามารถหยุดความคิดหยุดอารมณ์ต่างๆได้ก็พอถ้าโกรธหยุดมันได้ก็พอจะดวงตัวเดียวกันหรือคนละตัวก็ไม่เห็นเป็นเป็นปัญหาอะไร เ, เวลาโลภหยุดมันได้ก็ใช้ได้เวลาโกรธก็ใช้ได้แสดงว่ามันหยุดได้ชั่วคราวด้วยสติถ้าอยากจะหยุดอย่างถาวรต้องใช้ปัญญาเพราะปัญญาจะไปถอนรากถอนโคน ของของตัณหาของกิเลสราของโคนลาของกิเลสตัณหาก็คือความหลงความหลงที่ไม่เห็นว่าสิ่งที่กิเลสความโลภความอยากต้องการนั้นมันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเช่นเราเห็นลาบยศสารเสรื่อนี่เป็นสุขกัน<ม>เห็นเงินทองนี่เป็นสุขกันอยากได้เงินได้ทองกันแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาทุกข์กับเรื่องเงินเรื่องทอง เพราะเงินทองมันไม่พอใช้ขึ้นมาหรือเงินทองมันหมดแล้วตอนนั้นก็กลายเป็นความทุกข์ไปแต่ถ้าเราไม่ใช้เงินทองมันจะหมดหรือไม่หมดเราก็ไม่ทุกข์อย่างพระมาบวชนี่ไม่มีเงินทองไม่มีเงินก็ไม่ทุกข์มีก็ไม่ทุกข์เพราะไม่ต้องยุ่งกับเรื่องเงินทองถ้าไปยุ่งกับเรื่องเงินทองมันต้องมีอย่างเดียวใช่ถึงจะสุขพอไม่มีปั๊บมันก็ทุกข์ขึ้นมา เนี่ยือให้ใช้ปัญญาพิจารณาว่าสิ่งต่างๆที่ตัณหาความอยากต้องการเนี่ยมันเป็นทุกข์แต่เราไปมองไม่เห็นเราไปเห็นแต่ว่ามันเป็นสุขเพราะมันมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มาด้วยกันแต่สุขมันจะมาก่อนใช่ไหะเวลาได้เงินนี่สุขมาแล้วเวลาสิ้นเนื้อปดาตัวทุกข์ถึงจะตามมาคนล้มละลายถามว่าดูสุขยหม แต่ถ้าคนมาบวชนี่เขาก็ล้มละลายแต่เขาไม่ทุกข์เพราะเขาไ ม, เาไม่เขาไม่ต้องพึ่งเงินทองคนที่นําบวชนี่ส่วนใหญ่เขามีสติมีปัญญาในระดับที่ทําให้เขาไม่ไม่ต้องพึ่งเงินทองได้ก็ถึงมาบวชได้คนที่ยังบวชไม่ได้ก็เ พ, เพราะยังไม่มีสติปัญญาพอที่จะสู้กับกิเลสตัณหาที่จะคอยดึงให้ใจไปหาความสุขจากการใช้เงินใช้ทองต่างๆ นี่ก็คือปัญญาถ้าเราทํางานทางสมาธิแล้วเราสามารถนั่งสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการต้องการเวลาจิตฟุง้งเมื่อไหร่ทําให้มันสงบได้เมื่อ น, นั้นอย่างนั้นน่ะถึงถึงถึ ง, ถ, ง, ถ, งถึงเวลาที่จะต้องมาใช้ปัญญาต่อไปแต่ถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นพยายามฝึกสติไปก่อนพยายามทําให้สามารถควบคุมใจของเราไม่ให้มันพยศ เวลามันพยศก็หยุดมันได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นการหยุดชั่วคราวก็ยังดีวกว่าไม่มีอะไรเลยงั้นขั้นแรกเราต้องฝึกสติให้สามารถควบคุมใจให้สงบได้ในทุกปิริยาบทเพียงแต่ว่ามันก็ยังมีโอกาสที่กิเลสตัณหามันจะโผล่ขึ้นมาสร้างความทุกข์สร้างความาวามุ่นวายใจได้เป็นเป็นแบบพักๆเป็นแบบปบๆเดี๋ยววแต่ความ โดยธรรมดาแล้วมันจะสงบไปตลอดเวลานอกจากมันไปเจอเหตุการณ์โดนใครก็ด่าขึ้นมาอนี้อิเลสก็โผกขึ้นมาเมือเห็นของชอบของรักนี้ก็เกิดความอยากขึ้นมาหรือมีเรื่องเกี่ยวกับร่างกายร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายจะตายนี่มันก็จะเกิดกิเลสขึ้นมามันจะทำให้ใจทุกถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็ใช้สติ บริกรรมไปความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสมันก็จะสยบสงบตัวไว้ชั่วคราวแต่ถ้าเราอยากจะใช้ให้มันสงบอย่างเท้าวอให้กิเลสหายไปเราก็ต้องใช้ปัญญาเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องใดเราก็ต้องใช้ปัญญาเข้าไปวิเคราะห์เช่นเราทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องพิจารณาดูว่าต้นเหตุ ข, ของความทุกข์นี้เกิดจากอะไรอริยสัจสท่านก็บอกว่าเกิดจากสมุทยัย ตันหาในกรณีตันหาแบบไหนก็ความตันหาคืออยากอยากไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยหรืออยากให้หายอยากให้หายก็เป็นหรืออยากไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นเหมือนวิภาวะตันหาแล้วเราห้ามมันได้อป่อยากเราสั่งให้มันหายได้หรอป่าร่างกายมันเป็นอะไรมันเป็นอานตาหรือเป็นอัตตามันเป็นของเราหรือมันไม่ได้เป็นของเรา แต่เป็นของเราเราต้องสั่งมันได้ไหถ้ามันสั่งไม่ได้ก็ต้องแสดงว่าไม่เป็นของเรามันเป็นของธรรมชาติร่าการนี่มันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเราไปเคลมมันเราไปครอบครองมันแล้วก็ไปหลงว่ามันเป็นของเราาจริงเดี๋ยวมันก็กลับไปสู่ธรรมชาติใช่ไดินมันจากธรรมชาติอะไรก็คือดินน้ำลมไฟแล้วเดี๋ยวมันมันจะไปไหนต่อ มันก็กลับไปสู่ดินน้ำลมสายแล้วไปห้ามมันได้ปะเวลามันจะกลับไปเวลามันจะตายนี่ห้ามมันได้ปะเวลามันจะเจ็บใกครได้ปวดก็แสดงว่ามันกําลังจะกลับคืนสู่ธรรมชาติของมันเราห้ามมันไม่ได้ดังนั้นถ้าเรารู้ว่าถ้าเราเราทุกพรา อ, อยากให้เขาไม่เจ็บเรา อ, อยากให้เขาหายถ้าเราไม่อยากทุกข์เราก็อย่าไปอยากเสท่า น, นั้นเองอแล้วก็ทําใจเฉยๆอุเบกขาไป อย่าไปอยากยอมให้เจ็บไปยอมให้ตายไปใจก็จะหายทุกข์แล้วใจก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายต่อไปไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ทุกข์กับความตายเพราะเห็นด้วยปัญญาว่าร่างกายไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องดับเกิดแล้วต้องแก่เกิดแล้วต้องเจ็บอนัตตาห้ามไม่ได้บังคับเขาไม่ได้หยุดเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้ เมื่เราเห็นว่าเขาเป็นอนิจจังเห็นว่าเป็นอนัตตาและเห็นว่าเราทุกข์ก็เพราะเราไปอยากแล้วก็หยุดความทุกข์หยุดหยุดความอยากเท่านั้นเองเพราะอยากไปก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรอยากให้ไม่แก่มันก็แก่อยู่ดีอยากให้ไม่เจ็บมันก็เจ็บอยู่ดีอยากให้ไม่ตายมันก็ตายอยู่ดีแล้วไปอยากทําไมให้ทุกข์ไปเปล่าๆก็อยากไปอยากมันแล้วเราถ้าเรามีสติแล้วก็ ทำใจให้เป็นอุเบกขาได้เฉยๆได้มีสติมีสมาธิแล้วก็ดึงใจกลับไปสู่สมาธิดึงด้วยสติพอดึงด้วยสติหยุดความอยากความทุกข์ก็หายไปความกลัวเจ็บกลัวแก่กลัวตายก็หายไปไม่กลัวพระโสดาบันท่านไม่กลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายถ้าท่านมีปัญญาเห็นว่าร่างกายเป็นไตรลักษณ์ขันท่าเป็นไตรลักษณ์ เวทนาก็เป็นเวทนาขันธ์นี่ยร่างกายก็เป็นรูปประขันธ์เนี่ยเวทนาสัญญาสังขารมันก็มาเป็นทีมันมาด้วยกันพร้อมกันถ้าปล่อยเวทนาได้มันก็ปล่อยสัญญาสังขารวิญญาณด้วยกันถ้าปล่อยร่างกายมันก็ปล่อยร่างกายมันก็ปล่อยขันธ์ห้าได้ถ้าปล่อยร่างกายปล่อยเวทนาได้ปล่อยให้ร่างกายแก่ปล่อยให้ร่างกายเจ็บปล่อยให้ร่างกายตายก็รู้ว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา พยับยังเขาไม่ได้อันนี้เรียกว่าปัญญาถ้าเราถ้าเรามีปัญญาเราก็จะดับความทุกข์ดับความอยากได้อย่างถาวรแล้วมันจะไม่ทุกข์กับร่างกายกต่อไปจะไม่อยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายปล่อยให้มันแก่ไปเหมือนกับดูร่างกายของเราเป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นร่างกายของคนอื่นเราไม่ค่อยทุกข์กับเขาใช่ั้ม เขาจะแก่เขาจะเจ็บเขาจะตายเราไม่เดือดร้อนอใจก็จะมองร่างกายของตัวนี้เป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นไปไม่ทุกข์กับมันมันจะแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปเพราะทาอะไรไม่ได้อยู่ดีแก่แล้วไม่ให้มันแก่กลับให้มันเป็นหนุ่มเป็นสาวได้เปล่าย้อนอดีตได้ไหมถอยหลังกลับไปได้ไหมถอยกลับไปสักสาสปีนี้คงจะดีนะ ก็ถอยได้แต่เฉพาะไปดูรูปเท่านั้นเอง <Okay. S 1> ว่างๆเราไปนั่งเปิดภาพเก่าๆดูเพราะว่าเมื่อก่อนเราเป็นอย่างนี้นะแต่ตอนนี้เราเป็นอย่างนี้แนละ้วอันนี้ก็คือร่างกายอันนี้จา่าไม่เที่ยงอนัตตาห้ามันไม่ได้ทุกข์เพราะว่าเราไปอยากให้มันเป็นตามความอยากของเราถ้าเราไม่อยากทุกข์เราก็หยุดความอยากเทนั้นเองปล่อยให้ร่างกายเขาเป็นไปตามเรื่องของเขา อย่าให้เขาเป็นไปตามความอยากของเราเพราะหนึ่งเป็นไปไม่ได้สองทุกไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรผู้พิจารณาเห็นตายแลกในร่างกายในเวทนาก็จะปล่อยวางร่างกายปล่อยว า, วางเวทนาแล้วหลังจากนั้นจะไม่มีปัญหากับร่างกายจะไม่มีปัญหากับเวทนาอีกต่อไป<ม>จะเจ็บจะเจ็บยังไงจะปวดไงไม่ต้องกินยาแก้ปวดไม่ปวดหรอกที่ปวดที่ปวดพปวดเพราะความอยาก ความเจ็บกับความปวดก็ลายอย่างความเจ็บเพื่อความเจ็บของร่างกายความปวดเพื่อความทรมานใจที่เกิดจากความอยากคือความทุกข์นี่คนที่ไม่มีคนที่ไม่มีความอยากก็จะไม่มีความทุกข์ไม่มีความปวดมีแต่ความเจ็บเพราไม่ต้องกินยาแก้ปวดที่เรากินยาแก้ปวดนี่เพราะเราทนกับความเจ็บของร่างกายไม่ได้พอเรากินแล้วมันทําให้ความเจ็บของร่างกายเบาลง ความปวดของใจก็เลยเบาตามไปด้วยแต่ถ้าเรามีปัญญาเราก็สามารถดับความปวดของใจได้หมดเลยไม่โดยไม่ต้องกินยาไม่ถึงเวลาไม่ถึงว่าก็ถึงเวลาปวดเจบปวดขึ้นมาถ้าเราฝุกอย่างนี้ของเราไปเรื่อยๆมันมันจะมันจะผลได้ไม่ใช่จนได้ก็ต้องก็ต้องฝึกเวลานั่งสมาธิก็เวลาเจ็บก็อย่าไปขยับไง สมมติว่าเรากําลังเจ็บไข้ได้ป่วยปล่อยให้มันป่วยไปให้มันเจ็บไปแล้วเรามาสอนใจให้ปล่อยให้ปล่อยความเจ็บข อ, องง่ายกายอย่าไปอยากให้มันหายคือคือโยมนั่งสมาธิปกตินั่งสมาธิก็ะดะนั่งสมาธิได้น า, านอาหาะจะนี้พอพอละว่างที่นั่งนี่เมื่อก่อนมีความเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้นเวทนาจะเกิดขึ้นแต่ตอนหลังนี่เหมือนกับจะไ ม, ไม่ไม่ค่อยไม่เ่อดมีเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ไปใส่ใจตรงนั้นพอมันสงบถ้าใจสงบมันจะไม่ค่อยปวดค่ะ นั้นเราก็น้่งนั่งแบบนั่งให้มันนานๆแล้วก็นั่งแบบไม่ไม่ให้มันสงบคำว่านานๆของพระอาจารย์นี่คือแค่ไหนก็สามสี่ชั่วโมงไปนั่งไปถ้าเราเกิดความสงบนี้ให้นั่งไปได้เรื่อยๆไปอย่างนั้นใช่ไมถ้ามันความสงบแล้วมันไม่เกิดเวทนาขึ้นมามันก็จะเพียงแต่เป็นการาฝึกสมาธิไปแต่ถ้าเราต้องการที่จะให้มัน เกิดเวทนาขึ like so ้นมาเราก็อาจจะต้องดึงใจให้ออกจากความสงบมาดึงออกมาที่ร่างกายให้ให้มันมารับดูร่างกายหรือลักษณะนั้นคือยังไงครก่อนลืมตาขึ้นแล้วก็นั่งดูร่างกายแล้วก็นั่งต่อไปมันก็จะเกิดความเจ็บปวดแล้วเราก็ใช้ปัญญาแล้วเราก็ใช้ปัญญาสอนใจให้ปล่อยความเจ็บปวดปล่อยความเจ็บปวดก็คือเราไม่ต้องไปดูมัน ก็ต้องดูมันก่อนเลยถ้าไม่ดูเราจะไม่รู้ว่ามันเจ็บหรือเปล่าไม่ยากคือคือคือโยมนั่งแล้วพอปล่อยจากความสงบมันมันก็เลยรู้สึกความเจ็บปวดพอรู้ความเจ็บปวดปุ๊บใช่ไหมคะก็เหมือนกับเราเหมือนกับก็นึกถึงคําอุบายว่าจะต้องดูมันแต่นี้พอดูมันมันก็เหมือนกับรู้สึกว่ามันเจ็บเจ็บขึ้นเจ็บขึ้นอะอย่างนี้ค่ะแต่ทีนี้พอพอเราจะปล่อยตรงนั้นนะค่ะเรียกว่าเออเหมือนกับตายเป็นตายอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะเอ เขาจะไม่ไปสนใจมันไม่ใช่ต้องต้องไม่ใช่ถ้าไม่สนใจมันก็เหมือนเหมือนกันหนีมันเข้าไปในสมาธิไงนี่เราไม่ต้องเราไม่ต้องการหนีเราจะต้องการอยู่กับมันอยู่กับมันแล้วไม่ทุกข์กับมันที่เราหนีเพราะเราอยู่กับมันเราลำทุกข์เพราะเราทำใจไม่เป็นดังั้นเราต้องใช้ปัญญาสอนใจให้ทำใจให้เป็นให้อยู่กับมันให้ได้ให้ถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของ ของชีวิตที่เราจะต้องเจอหอายความว่าถ้าเราออกจากตรงนั้นมามาอยู่กับสมาธินี่คือการหนีแ ต, แต่ใหม่ๆแล้วต้องหนีก่อนเพราะเราไม่มีกําลังเวลาเราฝึกยังไม่มีสมาธินี่เราต้องพยะเราก็ต้องถ้าอย่างนี้เรานั่งทนอยู่ต่อไปสู้มันไม่ได้เราก็ต้องมาสร้างสมาธิก่อนพอเรามีสมาธิแล้วมีอุเบกขาแล้วเราก็มีกําลังที่จะมานั่งมาเจอมันได้แล้วมาสู้กับมันได้สู้ด้วยปัญญาต่อ เราจะได้ใช้ปัญญาสอนใจว่าปัญหามันอยู่ที่ความอยากของเราไม่ได้อยู่ที่ความเจ็บของร่างกายเราไปอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายมันก็เลยทำให้ใจเราทุกข์ขึ้นมาทรมานจนทนไม่ไหวแต่ถ้าเรารู้ว่าเราเราเร า, เราสร้างความทุกข์ด้วยความอยากเราก็หยุดความอยากก็อย่าไปอย่าไปอยากให้มันหายอยากให้มันอยู่ ขอร้องมันอยากพึ่งไปอยู่ไปนานๆแล้วเราก็อยู่กับมันให้ได้ถ้าเราไม่มีความอยากให้มันหายเราก็จะอยู่กับมันได้ถ้ามีความอยากให้มันหายมันก็อยู่ไม่ได้มันก็จะทรมานใจอระหนักไหมแต่ขั้นตอนนี้เราต้องหนีมันก่อนเพราะเราไม่มีกำลังสู้มัน ผู้ไปสร้างกำลังค่ะอาจารย์คะลักษณะนี้โยมโยมโยมก็ก็กาลังตับสนอยู่ระหว่างว่าเขมันเกิดความปวดมากๆค่ะคือเราไปมองมันเราก็เห็นว่าปวดมากๆค่ะยิ่งยม่งมองยิ่งปวดใหญ่ค่ะ่ปวดเพราะก็รางอยากยเพราะความอยากให้มันหายมันยมันจะยิ่งปวดใหญ่แตเสร็จแล้วจิต ตัวจิตเองก็ฝึกด้วยการที่ว่าเอ้ยเราพอเรามาหาันดูลมหายใจความปวดมันหายไปใช่เพราะเราเราเราหยุดความอยากให้มันหายไงเรามาดูลมหายใจแล้วไม่มีเวล้ววิธีการนี้ของเราก็เป็นการเ<ม>บี่ยงเบนเป็นการเบี่ยงแต่มันก็จําเป็นต้องใช้ในระยะเริอมต้นเบี่ยงเบนใจให้มาอยู่กับเรื่องอื่นมันจะได้หยุดความอยากให้แต่ในชีวิตของเราสักวันมันจะต้องเจอเบี่ยงเบนไม่ได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมัน มัน<ต>เบีเ่ยงเบ น, เนไม่ได้อ่าฝึกตรงนี้แต่ตอนก่อนจะฝึกตรงนี้เรามาสร้างสมาธิก่อนไงถ้าเราไม่มีสมาธิเราจะไม่มีกําลังที่จ ะ, อะสอนใจด้วยปัญญานะเพราะมันจะอยากจะหนีอยากจะให้มันหายไปอย่างเดียวนั่นเองงั้นเบื้องต้นตนี้เราต้องฝึกจิตให้มีอุเบกขาก่อนพออุเบกขาแล้วเราก็จะสามารถใช้อุเบกขานี้อสู้กับเวทนาได้ โดยใช้ปัญญาสอนว่าเพราะเวลามีอุเบกขาใจจะเฉยไงใจจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงกับเวทนา่ใจจะเฉยเฉยกับเวทน า, จจนาแล้วเรื่องนั้นก็สอนใจว่า อ, อยู่เฉยเฉยอย่างเงี้ยปล่อยให้มันเวทนาไปปล่อยให้มันเจ็บไปอย่าไปอยากให้มันหายพอพออยากก็มันจะรู้ทันทีว่ามันออกจากอุเบกขาทันทีมันจะทุกข์ทันทีมันก็จะดึงใจให้กลับไปตรงจุดอุเบกขา ด้วยการหยุดความหยุดความอยากให้เวทนาหายไปมันจะรู้เองถ้ามีอุเบกขาแล้วมันจะรู้เวลาไม่อยู่เวลาไม่ไม่ได้อยู่ในอุเบกขานี้เราจะรู้เองเราจะรู้ว่าเราเริ่มรักเริ่มชังเริ่มกลัวเริ่มหลงแล้แสดงว่าเราไม่ได้อยู่ในอุเบกขาแล้วเราก็ใช้สติดึงกลับเข้าไปใช้ปัญญาสอนว่าอย่าออกจากจุดนี้ให้อยู่ตรงจุดนี้ถ้าอยู่ตรงจุดนี้แล้วปลอดภัยเวทนาจะร้ายแรงขนาดไหนมันจะไม่ สามารถทำให้ใจเราสั่นได้แต่ถ้าเราออกจากจุดนี้เมื่อไหร่มันจะทำให้ใจเราสั่นจะทำให้ใจเราทรมานทันทีเพราะความอยากต้องแต่เบื้องต้นนี้ต้องฝึกให้มีสมาธิก่อนอยัเวลาเจ็บเราอย่าไปดูความเจ็บรีบกลับมาที่พุทโธ ร, รีบกลับมาที่ลมหายใจเพื่อเราจะได้ไม่ได้มีความอยาก ยิ่งมองเห็นความเจ็บมันยิ่งอยากให้หายยิ่งมันจะยิ่งทรมานใจใหญ่แต่พอเราไม่เดยไปมองความเจ็บเรามามองลมหายใจแทนความอยากให้ความเจ็บหายไปมันก็ไม่เกิดความทุกข์ทรมานใจก็ไม่เกิดก็เลยทำให้เรามีอุเบกขาขึ้นมาแล้วอยู่กับความเจ็บได้แต่อยู่แบบแบบสติใช้สติดึงกลับเข้ามาขั้นต่อไปเราต้องสอนว่าทำไมเราต้องอยู่ที่อุเบกขาทาไมเราต้องปล่อยวางเม น, นา เพราถ้าเราไม่ปล่อยเราจะทุกข์ถ้าเราไปอยากให้มันหายแล้วเราแล้เวเวทนาก็เป็นสิ่งที่เราไปสั่งมันไม่ได้ทุวกวันเราจะต้องเจอเวลาเป็นมะเร็งเป็นโน้มอะไรในร่างกายจะไปขยับขยื่นยังไงมันก็ไม่หายจิตหรอกต้องอยู่กับมันนะตอนนั้นมันจะอยู่กับมันได้ก็ต้องมีปัญญามีอุเบกขาสองอย่างช่วยกันอุเบกขาคือจุดที่จิตครจะตั้งอยู่ ถ้าจิตเอาเจากอุเบคาแสดงว่าเกิดความอยากาอยากให้ความเจ็บหายไปแนละ้วก็ปัญญาก็ต้องสอนใจว่าอย่าไปอยากหึงกลับเข้ามาอยู่ที่โอเบกคาเสียปล่อยให้เวทนาเป็นของเขาไปเขาจะอยู่เขาจะดับเรื่องของเขาแต่เราอย่าไปอยากให้เขาดับกับเรากันแล้วใจเราก็จะไม่ทุกข์ใจเราก็จะเย็นสบายเหมือนกับก้อนน้าแข็งอยู่ท่ามกลาง อยู่ก็อยู่บนกองไฟอย่างเงี้ยน้ำแข็งมันก็ยังเย็นอยู่เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะอยู่บนกองไฟจิตที่มีอุเบกขามีปัญญามันก็จะเป็นเหมือนน้าแข็งมันจิตมันจะเย็นส่วนหน้างกายนี้เป็นเหมือนกองไฟที่กําลังเผาก้อนน้าแข็งอยู่เนี่ยแต่ก็น้ําแข็งก็เย็นสบายถ้าเราอยู่สามารถดึงใจรักษาใจให้อยู่ในจุดของอุเบกขานั้นนั้นให้ได้ยังขั้นต้นเราต้องหาจุดอุเบกขาให้เจอก่อน ด้วยการนั่งสมาธิการนั่งสมาธินี้ก็คือการหาอุเบกขานี่ยพอจิตรวมเป็นหนึ่งแล้วมันก็จะเป็นอุเบกขาขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นกลางมันจะเฉยตอนนั้นความอยากต่างๆนี่ไม่ทำงานความรักความชางังความกลัวความหลงจะไม่สามารถทำงานในจุดนั้นได้นอกจากเวลาออกจากจุดนั้นมาพอออกมาลัดธปั๊บมันจะเกิดตันหาขึ้นมาทันที ออกมาชังปั๊บมันจะเกิดตัณหาขึ้นมาทันทีแต่พะมันจะเกิดตัณหาเกิดทุกข์ล้วก็ดึงมันกลับไปอยู่ที่อุเบกขาเสียแล้วมันก็จะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆแล้วต่อไปมันจะไม่ต้องใช้สติพุทโธเจอความเจ็บก็เฉยนั่นเองเจ็บก็เจ็บไปทนได้ไม่เดือดร้อน เข้าใจรู้รู้รู้เคล็ดลับแล้วว่าวิธีที่จะทําให้ไม่ทรมานก็คือต้องปล่อยเมท น, นามันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปสักแต่ว่ารู้ไงพรูพเจ้าสอนว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ให้สักแต่ว่ารู้เห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินก็ อ, อย่าไปออกจากจุดอุเบกขาความหมายของท่านข้อย่างนั้นถ้าอยู่ตรงจุดอุเบกขาให้รู้เฉย ๆ, ๆแล้วจิตจะไม่ จิตจะปลอดภัยถ้ปฏิบัติเดี๋ยวเราจะรู้เองอ่ารู้เองตอนนี้พูดก็แบบสิบ ป, ปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นแต่ก็ต้องพูดให้รู้บ้างแต่ยังเดี๋ยวก็ไม่รู้อยู่ดีแต่ให้รู้ว่าเนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็คืออุเบกขาการวางเฉยมันจะวางเฉยก็ด้วยสติดึงจิตเข้าไปสู่ความสงบแล้วมันก็จะเป็นอุเบกขาแต่พระอาจารย์บอกว่าดึงจิตเข้าอยู่ความสงบ ก็เวลามันมีความเจ็บปวดเราเห็นอยู่ว่าถ้ามองยิ่งมองยิ่งเจ็บใช่ไหมคะเราก็เราก็ดึงมาตรงที่อนาปาณสติมันก็มันคือการเลี่ยงเหรอฮะไม่ถ้าเราใช้ใช้ลมใช้อะไรนี่เราเลี่ย ง, งแต่ที่เราไม่ใช้มันเราจะใช้ใ ช, ใช้ใช้ปัญญาสอนใจไม่ให้เลี่ยงให้อยู่กับความเจ็บแต่ให้อยู่บนจุดของอุเบกขาคืออย่าให้มีความอยากเนี่ยอีกคนละเรื่องกัน เวลาเราใช้สติอนาภาสนะสติแล้วก็ดึงจิตให้เข้าไปอุเบกขาไม่มีความอยากแต่เราใช้สติดึงเข้าไปเราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจเหตุผลว่าทาไมทำไมเราถึงต้องใช้ปัญญาถ้าเรามีปัญญาปัญญามันจะบอกว่าทำไมเราต้องไม่หนีกับเหตุการณ์ต่างๆเพราะเราหนีไม่ได้หนีมันก็ตามมามเหมือนเงาตามตัว แต่ในขณะที่เรานั่งนะคะอาจารย์คือคือพอดิปฏิบัติสงสัยตรงจุดตรงนี้ก็คือว่าขณะที่เวลาเรานั่งนะคะแล้วเราก็ใช้ปัญญาไนีค่ะบอกว่าเราเป็นข้าเราไปเฝ้าใหม่เราไม่ได้ห น, น, นีมันนะหรออือว่าเรามี็นเขรู้สึกว่าแนี่ไม่ใช่ปัญญาเนี่ยเป็นความคิดสังขานปัญญา ค, คือต้องเห็นว่ามันเป็นไตายรักษอย่างนี้เรียกว่าปัญญา<อ>เห็นเวทนาว่าเป็นตายรักตายรักคิด เ, เองถ้าอะไรเราเป็นตายรักเราก็จะได้ปล่อยวางมันเนี หยุดความอยากให้มันหายที่เราเข้าไปอนาปณ ะ, ะสติก็เพื่อเพราะเราอยากจะให้มันหายเราเลยหนีมัน ม, มีสองวิธีไงหนีแบบขยับร่างกายถ้าเจ็บก็ขยับแข้งขยับขาหออันนี้ก็เป็นแบบยากหนีแบบนี้หนีอีกแบบก็หนีแบบสมาธิพอมันเจ็บก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปมันก็หายแต่ทุกครั้งที่เจอมันก็ต้องพุโทโธพุโทโธมันถึงจะหายต้องหนีมันอยู่เรื่อย แต่ถ้าใช้ปัญญาไม่ต้องหนีมันสอนใจว่าอยู่เฉยๆสู้กับมันให้รู้เฉยๆให้ดูมันเฉยๆมันไม่มันมันไม่มีมันไม่ร้ายกาอะไรเราไปกลัวมันเองปัญญามั้ยเราไปอยากให้มันหายมันก็เลยทำให้เราเจ็บเราเลยทรมานใจทุกข์ใจนี่พระเจ้าบอกเคล็ดลับบอกไม่ต้องไปกลัวมันไม่อยู่กับมันได้แต่ต้องอยู่แบบเฉยๆอย่าไปอยาก ถ้าอยากแล้วมันอยู่กับมันไม่ได้เหมือนกับคนที่เราเกลียด น, นี่ยอยู่กับเขาได้นะไห<ป>มอยากอยากให้เขาไปอยู่นี่เ น, นี่ย <Bryant> แต่ถ้าเราเปลี่ยนใจรักเขานี่ก็จะอยู่กับเขาได้ขึ้นมาทันทีหรือเฉยๆไม่มีความเกลียดให้เขาไปไม่มีความอยากให้เขาไปเราก็อยู่กับเขาได้แต่ถ้าอยากเขาไปนี่เจอหน้าทีไรก็อยากให้เขาไปทุกทีก็ไม่อยากจะเจอหน้าก็หนีไปไปที่อื่นกันอนยะ่างนี้ ก็เหมือนเราหนีหนีเวทนาไปหาลมไปหาพุโทโธไงอย่างนี้เรียกว่ายังหนีอยู่แต่เป็นเป็นการหนีเพื่อเพื่อกลับมาสู้ใหม่ถ้าหนีหนีไปเพื่อให้มีสมาธิเพื่อให้มีอุเบกขาหนีเหมือนหนีไปเพื่อเอาเอาวุธอาวุธที่เราต้องการก็คืออุเบกขาอุเบกขาไปนเหมือนโล่โล่ที่เราจะใช้สู้กับคู่ต่อสู้แล้วเราก็ไปเอาปัญญาเอาห อ, อกหรือเอามีดมาถ้าเรามีทั้งโล่มีทั้งห อ, อกเราก็จะสู้กับ คู่ต่อสู้ได้มีอุเบกขาก็เหมือนกับมีโลทําให้เราสามารถรเผชิญหน้ากับมันได้มีปันมีห่อก็ไว้สําหรับค่าความอยากอย่าให้มันอยากอามันไม่อยากแล้วมันอยู่ก็มันก็จะอยู่ในอุเบกขาแล้วมันก็จะไม่เดือดร้อนอันนี้ต้องปฏิบัติถึงจะเห็นชัดนตก็พูดได้เท่านี้แหละแต่ถ้าคนที่เคยปฏิบัติ ทางนี้มาบ้างแล้วก็จะฟังแล้วก็จะพอเข้าใจแต่ถ้าไม่เคยปฏิบัตินี่ไม่รู้เรื่องเลยก็ไม่รู้ว่าผมพูดถึงเรื่องอะไรกันอยู่แต่อาจารว่าเคยปฏิบัติมานะมามากว่ะนะแต่ก็หนีมันทุกทีเลยใช่ไหมไม่ีก็รู้ว่าผ่านมาได้ก็ผ่านด้วยสติไงแต่ไม่ได้ผ่านด้วยปัญญา แต่ก็ยังกลัวมันอยู่ดียังอยากให้มันหายอยู่ดีไม่ค่ะคือช่วงช่วงหลังนี้นั่งแล้วไม่ค่อยมีเวทนาใช่แต่ถ้าเวลามีก็อยากให้มันหายทันทีค่ะก็มีก็เลยนั่งเจ้ามงินก็รู้สึกว่าปวดมากทีนี้ก็ต้องหาเหมือนกับคิดคเองนะจ๊ะหนีหีมานั่งอยู่ที่ลมเพราะกำลังหนีมานั่งอยู่มันจะทดสอบตัวเองนี้มันก็ติดอยู่ในขั้นสมาธินึงแก้ปัญหาด้วยสติด้วยสมาธิค่ะใช้ปัญญาไม่เป็นอ ถ้าปัญญาต้องพิจารณาไอ้ความเจ็บว่ามันเป็นตายรักคือคิดในใจนะอาจารย์ก็คิดอย่างที่เราคุยนี่แหละคิดในใจหรือนอกใจก็ไดนะ้ให้มันเข้าใจให้เข้าใจว่าเวทนาเราอยากไปรักอยากไปชังมันจิตปฏิบัติแล้วจิตเข้าใจตรงนี้เหมือนกันว่า ถ้าเราเกิดเจ็บก่อนตายนี่มันคงน่าทรมานน่าดูช่านตรงนี้ให้ได้เนะว่าเราไม่มีปัญญาก็ผ่านได้แต่ถ้ามันเจ็บก่อนตายก็ต้องเข้าไปหาลมไปหาพุทโธใช่ไหมหากาคิดมันก็ไปแค่ชั้นสวรรค์ชั้นพรมนี่แต่ถ้าใช้วิปัสสนามันก็ไปโสดาบันไดโลกุตรละรมได้มันจะมีดวงไดก็นี่ใช้หลักที่เราคุยนี่พิจารณาให้มั้ เวทนาให้เห็นว่าร่างกายกับเวทนาเป็นไตล่ลักไอ้เนนจ้างทุกขังอนัตตาแล้วเราก็ไปทําอะไรไม่ได้ต้องปล่อยให้มันตายไปปล่อยให้มันเจ็บไปอย่างนี้ความเจ็บอย่างนี้ความตายดูมันเดี๋ยวขอไปฝึดการครับมีคําถามว่าใจกับความคิดนี่เป็นเรื่องเดียวกันไหมใจเป็นผู้คิดความคิดนี้เป็นออกมาจากใจ ใจเป็นผู้รู้ผู้คิดใจเป็นผู้รู้ผู้คิด ค, คิดออกจากใจสติเฝ้าดูสติ <ใจ S 1> ก็ออกใจใจมันสติก็เป็นเครื่องมือของใจที่จะคอยควบคุมความคิดอีกทีนึงเป็นเหมือนเบรกของรถยนต์สติเป็นเครื่องมือของใจเพื่อเฝ้าดูความคิดเพื่อคอยหยุดความคิดควบคุมความคิ ด, คคคดหรือสั่งให้คิดไปในทางใดทางหนึ่งก็ต้องมีสติเช่นพอเรากําลังคิดจะไปฆ่าคนพอได้สติก็หยุดคิดให้อย่าไปทําอย่างนั้นปัญญาก็บอกว่าทําแล้วบาป อยากไปทำอันนี้ก็เป็นความคิดคิดไปในทางปัญญานั้นสติจะต้องดูที่ใจที่ดูที่ความคิดครับก็ดูที่ใจดูที่ความคิดเนี่ยเพราะว่าปัญหาอยู่ตรงไหนก็ดูมันตรงนั้นปัญหาก็อยู่ที่ความคิดเนี่ยคิดแล้วก็เกิดความรักความชางังความกลัวความหลงขึ้นมาพอหยุดความคิดปั๊บความรักความชังความกลัวความหลงก็หายไปแต่หายชัว <G ül> s> <S หายชั่วคราวหายเพราะหยุดความคิด ถ้าอยากจะให้ใหมันหายอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาสอนว่าใน่วงนี้ไม่มีอะไรน่ารักน่าชางังน่ากลัวน่าหลงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาสัพเพมานัตตาเป็นดินน้ํามลมไฟเราไปหลงคิดว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขามันก็เลยเกิดความรักความชางังความกลัวความหลงขึ้นมาแต่ถ้าเห็นว่าทุกอย่างเป็นดินน้ํามลมไฟก็ตามก็จะไม่รักไม่ชงังไม่กลัวไม่หลงไอ้ลมพัดนี่เรารักเราชางังไหมเรากลัวเราหลงไหม เห็นท่าลมแล้วเป็นไงเฉยใช่ไหะถ้าเห็นว่าเป็นท่าลมก็เฉยเห็นท่าเห็นน้ําไหลน้ําในทะเลเราก็เฉยกับมันใช่ไหมไม่ได้ไปรักไปชังไปกลัวไปหลงอะไรกับมันเนี้เราต้องเห็นทุกอย่างแม้แต่ร่างกายนี้ก็เป็นแค่ดินน้ํำลมไฟไม่ใช่ตัวเราของเราเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอะไรก็เป็นเรื่องของดินน้ํำลมไฟไม่ใช่เรื่องของเราเราคือใจเราเป็นคือผู้รู้แต่ตอนนี้หลง ไปคิดว่าเราเป็นดินน้ำลงไฟคิดว่าเราเป็นร่างกาย<ม>คิดว่าเป็นพ่อเป็นแม่คิดว่าเป็นลูก<ม>เป็นหลานคิดว่าเป็นานายกรนายขออะไรว่าไปตามสมมุติต่างๆแล้วก็ไปหลงอยู่กับสมมุติที่เรามาสัมผัสรับรู้กัน<ม>แล้วพอสูญเสียสิ่งต่างๆที่เราได้มากันก็เสียอกเสียใจกันทุกข์กันเพราะอยากไม่เสียไงได้อะไรมาแล้วก็อยากจะ ให้อยู่กับเราไปตลอดแต่มีอะไรบ้างที่มันจะอยู่กับเราไปตลอดไม่มีใช่ไหมแต่เราไม่คิดกันเราไม่พิ จ, จารณาตารักกันเราก็เลยแล้วก็เลยห่วงห่วงกันหวงยังไงห่วงไงเดี๋ยวนที่สุดก็ศูนย์กลับไปที่ศูนย์มามาเวลามาก็มาด้วยศูนย์เวลาไปก็ไปด้วยศูนย์ไม่ใช่หรอเวลามาเรามาเกิดเราอะไรติดตัวมาเปล่าเราเอาเงินเอาทองมาด้วยเปล่า ลาเราตายไปเราเอาเินเอาทองไปด้วยหรือเปล่าเอาร่างกายนี้ไปด้วยหรือเปล่าเราไม่ได้อะไรไปทั้งอย่างแต่เราไม่คิดกันเราก็ยังหวงกันยังห่วงกันยั ง, ง, นยงยึดยังติดกันยังจะไม่อยากจากกันไม่อยากจะพัดพากจากกันความอยากก็เลยทำให้เราทรมานใจกันทุกนันพอเรามีปัญญาเห็นว่าทุกอย่างเป็นสัพเพธรรมานตาก็เลย ไม่ยึดไม่ติดไม่ถืออะไรเป็นของเราสัาอย่างก็สบายเวลาเป็นของเรามันทุกข์ไม่บ้านเวลาบ้านเราน้กกําท่วมแบบบ้านของชาวบ้านน้ําท่วมเลยถ้าบ้านชาวบ้านอ่าทําไมทุกข์กับมันก็น้ําท่วมเหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> ก็บ้านเหมือนกันเนะ่ะงย่างตอนนี้เห็นไหมทํางอีสานน้าท่วมเลยเราทุกข์ไหมเหมือนเดือดร้อนเลยใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ถ้าเกิดบ้านเราท่วมแบบพังมากเป็นยังไงมานั่งคุยกันตอนนี้ไม่ได้แนละ้ว น, นั่นเอง พยายามไปกู Because, ้บ้านกันอะไรเพราะเป็นของเราใช่ไงั้นอย่าไปมองว่าเป็นของเราแล้วเราจะสบายใจเพราะมันไม่ได้เป็นของเราเดือนทุกวันนั้นก็ต้องจากกันไม่มีอะไรเป็นของเราถ้าเรามีปัญญาบอกเราตลอดเวลาทุกลมหายใจเขาบอกว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเราก็จะปล่อยตลอดเวลาปล่อยตลอดเวลาเราก็จะไม่ทุกข์ อาจจะอะไรไปถ้าเรารักษาไม่ได้ก็ต้องให้ก็เอกไปแต่ถ้าเรายังรักษาได้เราก็เก็บไปก่อนเพราะเรายังต้องใช้มันอยู่อย่างงี้แต่เราก็รู้ว่าไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องรักษาไม่ได้อยู่ดีตอะร่างกายนี้มันรักษาไม่ได้แล้วทุกอย่างที่สิ่งอย่างอื่นแล้วก็รักษาไม่ได้เหมือนกันเพราะเราต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการรักษาสิ่งต่างๆแม้แต่เครื่องมือที่จะใช้รักษาสิ่งต่างๆยังรักษาตัวเองไม่ได้แล้วมันจะไปรักษาสิ่งต่างๆได้อย่างไร เราไม่คิดกันเราก็เลยหลงกันหงว่าโอ้ยเราสามารถรักษาได้เรามีอะไรเราสามารถเก็บเอาไว้ได้เก็บไว้ใช้ได้ให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลาพอถึงเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาจะตายนี่มันทำอะไรไม่ได้แล้วรักษาอะไรไว้ไม่ได้เลยตอนนั้นก็มีแต่ความทุกข์ทรมานใจเ <c oughs> พราะปล่อยวางไม่เป็นเพราะอยาก อ ย, อย่างให้ทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมอยู่ทางนั้นที่มันเป็นไปไม่ได้งั้นเราต้องหมั่นพิจารณาอยู่เรือยว่าสัพเพธรรมานัตตาอของอทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่ของเราราบยศสรรเสริญรูกเสียงกลิ่นรสร่างกายของเรามันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นของเราชั่วคราวเป็นสมบัติชั่วคราวเป็นสมบัติที่เรายืมมาจากดินน้ำลมไฟ เดี๋ยวก็ต้องกลับคืนสูดินน้ำลมไฟไปให้คิดอย่างนี้บ่อยๆเรียกว่าปัญญาไม่ค่อยคิดกั น, นใช่ไหมเพอะยังไม่ถึงขั้นนั้นไม่รู้ว่าปัญญาจริงๆนั้นเป็นยังไง <c oughs> ปัญญามันต้องคิดตลอดเวลาเหมือนกับสติขั้นต้องฝึกสติก็ต้องมีสติตลอดเวลาพอมีสติตลอดเวลาแล้วทีนี้ก็ต้องมีปัญญาตลอดเวลาตามมันถึงจะเรียกว่าสติปัญญาไง ต้องสร้างสองตัวนี้ให้เป็นฝาแฝดขึ้นมาตอนต้นก็สร้างแฝดแรกก่อนสร้างสติก่อนเมือมีสติแล้วก็สร้างปัญญามาประกอบอีกที่หนึง่งต่อไปสติกับปัญญาจะไปคู่กัน จ, จากพระอาจารย์ครับถ้าสติเราอยู่ที่ฐานใดฐานหนึ่งเช่กนการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วมันมีความสงบนีแค่ฐานเดียวก็พอแล้วใช่ไหมครับก็พอแล้วเราต้องกา<ม>รความสนใจอีกไม่จําเป็นหรอกขอให้จิตมันรวมเป็นสมาธิได้ แต่ถ้ามันยังเคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนไหวอยู่มันรวมไม่ได้ที่พระพุทธเจ้าท่าสอน ส, นสี่ประธานสี่หมายว่าอยู่ที่จริตของแต่ละคนที่ปฏิบัติใช่ไหมครับไม่ใช่ล่ะสติปัฏฐานสี่มันเป็ น, นเป็นเป้าหมายของการปล่อยวางรเราต้องปล่อยวางร่างกายปล่อยวางเวทนาปล่อยวางจิตแต่ก่อนจะปล่อยได้เราต้องสร้างสติก่อนท่านถึงจะว่าให้นั่งอานาปานาสติก่อน พอมีสติก็ให้เริ่มพิจารณาร่างกายพิจารณาเวทนา พ, พิจารณาจิตว่าเป็นใจรักอันนี้จังทุกขงังอนัตตา<อ>คําว่าจิตนี่ไม่ได้เหมือนไม่ได้เหมือนไม่ใช่ตัวจิตตัวรู้นะคำว่าจิตนี้ถ้าหมายถึงอารมณ์ที่อยู่ในจิตอ่ะเช่น อ, อารมณ์เบิกบานอารมณ์เศร้ามองของพวกนี้เป็นอันิีจังทุกขงังอนัตตาตัวจิตเองไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอะไรมันเป็นตัวรู้เฉย ไม่ได้ปล่อยตัวจิตปล่อยไม่ได้เพราะตัวจิตก็คือตัวเราเราจะไปปล่อยตัวเราได้ไงมันอยู่กับเรามาตลอดให้เราปล่อยสิ่งที่มันมาเกาะกับจิตคืออารมณ์ต่างๆคือเวลาเบิกบานก็อย่าไปยึดไปติดมาอยากให้เบิกบานไปทุกวันอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพอสักพั ก, กเดี๋ยวก็เศร้าหมองได้จิตมันก็สลับไปสลับมาเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเนี่ยให้รู้ทันแล้วอย่าไปอย่าไปหลงตามมันเท่านั้นเอง ให้รู้ทันแล้วมันก็จะหายของมันไปเองให้มีสติพอรู้ว่าโลภปั๊บเราไม่ไปทําอะไรมันเดี๋ยวโลภมันก็หายไปพอรู้ว่าโกรธเราไม่ไปโกรธตามมันเดี๋ยวมันก็หายไปนี่คือเป้าหมายของการปฏิบัติเพื่อให้ปล่อยวางร่างกายก็ต้องรู้ว่าเดี๋ยวมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่าไปหลงอย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเวทนาก็คือการเจ็บไม่เจ็บมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวไม่เจ็บเดี๋ยวเฉย ก็ต้องรู้แล้วก็อย่าไปยุ่งกับมันให้ปล่อยทุกอย่างให้เหมือนเขาเขาเป็นอนัตตาไปหมดไงทุกอย่างเป็นอนัตตาหมดร่างกายก็อนัตตาเวทนาก็อนัตตาจิตก็อนัตตาอารมณ์ต่างๆก็อนัตตาเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้เขามีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้เขาเกิดระดับไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาเราเป็นเพียงผู้รู้ให้รู้เฉยๆให้อยู่ตรงอุเบกขาพูดง่ายๆ สติก็เป็นอนัตตาด้วยใช่ไหมครับไม่ต้องไม่ส่งไม่ต้องไปรู้มันหรอกเพราะมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นตัวปัญหาครู้ไปก็ท่านั้นไม่รู้ก็ท่านั้นมันจะเป็นอนัตตาหรือไม่อนัตตาเราต้องใช้มัน่ะแล้วเราก็ใช้มันได้สติเนี่ยมันไม่ได้เป็นมันเป็นธรรมมันไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่ามเป็นอนัตตาหรือไม่อนัตตาแต่เราต้องการมันเมื่อไหร่มันก็มาได้ปัญญาเราถ้าเรามีแล้วเราก็รักษามันไว้ได้ มันสติปัญญาไม่ได้เป็นเป้าหมายของการปล่อยวางเราก็ไม่ต้องไปพิจารามันเป้าหมายของการปล่อยวางที่ทำให้ใจเราทุกข์ก็คือกายเวทนากับจิตเนี่ยมันเป็นเครื่องมืงอวันนี้พูดเรื่องปฏิบัติในข้างในอย่างเดียวเลยเคนที่ไม่เคยปฏิบัติฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจเพราะเวลาปฏิบัติแล้ว ม, มันจะเข้าไปถึงเรื่องราวเหล่านี้เองถ้ายังไม่ปฏิบัติมันก็เพียงแต่เพียงแต่เห็นชื่อของมันนั่นเองเห็นชื่อแล้วเราก็มาทะเลาะกันเหมือนกับคนตาบอดคําช้างคนตาบอดคําช้างคําที่งาคําที่งาก็เป็นห อ, อกคําที่งวงก็เรียกว่าเป็นงูคําที่หางก็เรียกว่าเชือกคําที่ท้องก็เรียกว่าผาผนังก็ถูกทนะั้งนั้น คนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็นั่งเขียงกันสติสาคัญกว่าสมาธิสมาธิสำคัญกว่าปัญญาอะไรก็ว่ากันไปแต่ความจริงมันสาคัญทั้งหมดมันต้องมีทั้งหมดมันถึงจะสามารถทำภารกิจคือการดับความทุกข์ดับความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ต้องค่อยๆปฏิบัติไปแล้วมันก็เหมือนการเรียนหนังสือมันเราเรียนหนังสือเราไม่ได้เรียน ทุกวิชาพร้อมกันในเวลาเดียวกันใช่ไหมแต่และ ว, วิชาก็มีการสอนมีเวลาของเขาเริ่มต้นที่กอไก่ขอไข่ไว้ก่อนท่องกอไก่ขอไข่แล้วก็มาหัดสะกดสะระอะสระอากอไก่กอไก่กอสระระอาอะไรอ่านไปก่อนแล้วถึงค่อยมาเข้าใจความหมายอะไรมันค่อยๆเรียนรู้ไป<ม>การปฏิบัติมันก็ต้องมีการค่อยๆพัฒนาไปสําหรับผู้ที่ไม่มีภูมิเดิม ผู้ที่เขมีภูมิเดิมแล้วเขากระโดดชั้นได้แล้วก็ไปเรียนเรียนกอไก่ไมาแล้วเขาก็ไม่นองมาเรียนกอไก่ใหม่เขาก็เรียนชั้นที่สูงขึ้นไปได้เพราะในแต่ละพบแต่ละชาตินี้เราก็อาจจะมีได้มีโอกาสได้ปฏิบัติมาก่อนแล้วแต่บางคนมาถึงก็สามารถเข้าสู่ขั้นปฏิบัติได้เลยบางคนยังต้องเข้าไปอยู่ในขั้นทําบุญทําทานก่อนบางคนต้องอยู่ในขั้นรักษาศีลก่อน อาจารย์เคบ้างไหมที่ข้ามจากสมถะไปวิปัสสนาเลย ไ, ไม่ได้หรอกมันต้องมีสมถะก่อนนะมันถ้าไม่มีสมถะมันมันจะไม่มีกําลังไม่มีอุเบกขาพอเกิดดิเลสมันก็สู้ไม่ได้วางเฉยไม่ได้พอเห็นของอยากได้ก็ใจสัน่นแต่ถ้ามีอุเบกขาก็ไม่สัน่นแล้วก็สามารถสอนใจให้อย่าไปทําตามความอยากได้ พอทาแล้วก็จะไปเจอความทุกข์้รานะหมดช่วงแรกแล้ว mm hmm. ก็จะอนุโมทนาให้พรยะถ า, าวารลกวาหาปุราปารลกปุเรนติสาคลรังเอวะเมวะอิโตทินางเปตานาังอุปกัรปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิดปะเมวะสมมิจโต สัพเพบริ่งตุสังกปาจันโทปนะราโสยธามณิจติระโสยธาสัพพิติโยวิวาชาันตสัพพารุโควินัสตุมาเตผวะตวันตราโยสุขีธีคาโยโภวะอภิวาตนาสีฤทสานิจัง อุทาปจายโนยตาโรธรรมะวาทานติอายุวนโนสุขังภาลาม <c oughs> เป็นศึกษามาจากที่ไหนบ้าง่ะไม่ได้ยังใ้่ไหมก็เบื้ อ, ตอ ง, งต้นสอนเรื่องสมาธิก่อน ส่วนใยังไม่เข้าถึงขั้นวิปัสสนากันหรอเพราะต้องได้ขั้นสมถะก่อนเป็นจะสอมวิปัสสนาได้ของผมที่หลวงพ่อทีนะครับใช้มือเหรอใช้มือเฝ้าดูเฝ้าดูมือแต่ว่ารู้สึกสมถะไม่แข็งแรงเลยมันจะหลุดบ่อยเพราะเราไม่ได้ใช้มือตลอดเวลาเนี่ยเราใช้อย่างอื่นท่านสอนให้เคลื่อนไหวเราต้องดูอย่างอื่นท่านทานยกตัวอย่างมือเท่านั้นเองแต่ความหมายของท่านคือทั้งร่างกายค เวลาร่างกายทําอะไรก็ดูเหมือนเหือนเราดูมือเราเนี่ยช่วงนั้นใจร้อนไปหน่อยไปทางเคลื่อนไหวเลยไม่ได้มีสมาธิสมาธานนอิอะไรก่อนก็เลยไม่แข็งแรงตั้งมั่นไม่ได้ยังไม่มีกําลังพอใ น, นเบรคหายังไม่มากวันวันนี้จะมีแต่คนบอกว่าพระอาจารย์แสดงทําได้ดีมากเพราะมันละเอียดมากครับเอมีคนมา อ, อมีคนละเอียดมาคุย มีคนติดตามทางว่านี่ถ่ายทอดสดเนี่ยทาง youtube ทาง facebook คนก็ฟังเขาก็เลยวิพากษฟังบ่อยผมก็เลยมีโอกาสว่าจะต้องมากราบท่านสักกอืะก็เลยวันนี้ได้โอกาสค่ะอาจารย์นะที่ในในการปฏิบัติก็จะต้องแบบเซตเป็นเหมือนตารางเวลาเหมือนเวลาเรียนหนังสืออย่างเงี้ยควรเลยต้องบังคับเลยตํางแต่ผ้านี้ก็ตั้งแตตื่นขึ้นมาเลยตารางจนถึงหลับเนี่ยสติเป็นวิชาแรกที่จะต้องฝึกกันไปตลอดเวลา ด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งสมาธิด้วยการทากิจกวัตรต่างๆก็ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาแต่การสอนของพ่อวิริยังก็ดีนะเป็นสอนแบบของกรรมฐานเล ย, ยงั้นเมื่อก่อนก็รู้สึกแต่ลัสนักสำนักก็สอนกันแบบแบบงูปล า, ปาอาันนี้ทางเฟรบุ๊เข้ามาเท่าไหร่ 400ครับอาจารย์0ี่ร้อยนนี้สัญญาณพอใช้ได้ดีครรับาไม่ขาดนะยูะ <YouTube S 3> ทูบเท่าไหร่ย <100 8. S 2> ูทูบนึร้อยแปดก็ประมาณห0าร้ค่ายก็500ร้อคนได้สาธุสา ธ, สาธุเอาไปปฏิบัติน ะ, ะปฏิบัติสติปัญญาฝึกสติให้มากๆใช้ปัญญาบ่อยๆ คิดถึงตายรักบ่อยๆคิดถึงอนัตตาบ่อยๆไม่มีอะไรเป็นของเราฮะฟังวงตาทุกวันอ่าไดีอ่าทุทางทางทางทรทัศเรียว่าทางวิธียังสนเสียงธรรมเพื่อประชาชนยังมีอยู่เนี่ยที่งเทพเลยน้ำมันเลยกลางสิงหชัยนะคะ เม่อส่งใดก็มากันกระจายอ่าได้ดีวางไ ป, ไปเอาธรรมะหล่อเลี้ยงจิตใจตยองก็ทำทานจาย์เอาทานก่อนได้ทานกสีนให้มันให้มันมั่นก่อนอสินห้าให้มั่นคงทำบุญทําทานเป็นปกตินิ ส, สัยอ่อาดีเดี๋ยวต่อไปก็จะเข้าสู่สติสมาธิต่ตอไปอมันเป็นขั้น ต้องทำเป็นขั้นมันสร้างบ้านต้องสร้างรากฐานก่อนต้นยงก็ปลูกเป็ต้นไม้อาจารย์สร้างต้นไม้สร้างต้นไม้ให้อาจารย์ที่ที่ล้มลิ้บอาจารย์พราะว่าต้นไม้แบบเป็นทุ่งนาเลยกันใช่ต่อไปยังไดเป็นวัดป่าได้สร้างเสพป่าป่าเขาป่าเนี่ยสำคัญเป็นที่สร้างธรรมะที่เกิดของธรรมะพระพุทธเจ้าก็ตทัดสรู้ในป่าพระสาวกคูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็บรรลุธรรมในป่ากัน ไม่มีประวัติไหนที่บรรุในกรุงเทพในในเมืองในบ้านการสอนให้จะตามป่ามาจาป่ากับทุกป่าเลยพอจาวันละอร้อยสองร้อยต้นนะพ่อจ้าถ้าไม่สร้างป่าต่อไปสายวัดป่าจะหายนะเพาไม่มีป่าพรมีแต่คนจะตัดต้นไม้อย่างเดียวเรไม่มีป่าเลยาตอนนี้อยู่ได้แค่เจ็ดปีก็ขึ้นไม่ได้จ้อ่าดี พยายามปลูกไปเรื่อยๆเดี๋ยวไม่กี่ปีสิบปียีสิบปีต้นไม้ก็เต็มกรุ๊ปหมดสามารถที่อยู่ในต้นไม้ได้ไหมจ๊ะได้ปลูกทุกปันเลยนะทำนี้ไปก่อนทานดีจ้ะทานตัวเองนะอาจารตลาดจากบ้านจากอะไรก็อยู่วัดใช่ได้อาาก็ให้ทานเยอะก่อนไม่ค่อยอื่นไม่ว่ากใช่ถูกต้อง ดีสาธุพาไปปลูกต้นไม้คดีทำไปก็พาไปปลูกต้นไม้ดีแ้วมีโครงการรถในรถีปลูกต้นไม้เป็นรโยมก็พาไปปลูกกันที่ไหนว่างปลูกมาให้มันเต็มไปหมดเลยมีเจดสิบ่ถขาปลูกแต่ต้นไม้อย่างเดียวไม่ใช่สร้างอะไรเป็นทุนาในก็จะ่น้พื้้ก็ทุนไม่หยุอดีสร้างป่าทาไปสาธุสาธุ ารบให้คนเี่ยมคนหน่อยนือปแล้จะจับ่ท่านต้องจับอาจารย์ะของคนละรุ่นมั้งาาเป็นองค์เลุดท้ายใช่คนละรุ่นทำมาซิที่บกชื่อหลวงตาถ้าเกิดบอกว่าวัดป่าทำมาซคนจะไม่รู้จักแต่ถ้าบอกว่าวัดหลวงตาเนี่ยคณจะรู้จักเยอะบกวตาวดหงตามหาวิโรจน์คนจะรู้จักอาจารย์แต่ถ้าบอกว่าวัดาทำมคนคนจะไม่รู้จัก อั่นเป็นชื่อทางการของลุงตาก็ทำวิสุทธิมงคลตัวไปอยู่วัดหมดเลยพระเจ้าสละทางบ้านหมดแล้วเีดีสาธุต้นวายอยู่วายหรือหลังเจียมขอให้ก้าวหน้าในธรรไปเรื่อยๆนะคำถามฝากถามข้อที่หนึ่งค่ะอยากทราบว่าสามีภรรยาอยู่ด้วยกัน ทำไมทะเลาะกันบ่อยเกือบทุกวันเป็นกรรมอะไรคะเพราะมีความอยากไม่เหมือนกันไงคนหนึ่งอยากนอนอคนคนอยากเที่ยวก็เดี๋ยวก็ทะเลาะกันละใจมันไม่เหมือนกันใบใหม่มันเหมือนกันเพราะทุกคนทั้งสองพยายามปรับให้มันเหมือนกันแต่พออยู่ด้วยกันแล้วกิเลสมันไม่ยอมปรับแล้วมันมันอยากจะไปตามความอยากของมันคนหนึ่งอยากจะดูทีวีเอกคนหนึ่งอยากจะไป เที่ยวข้างนอกนี่มันก็ไปด้วยกันไม่ได้มันก็เลยต้องทะเลาะกันถ้าไม่อยากจะทะเลาะกันก็ต้องปรับความอยากให้มันเหมือนกันเอาอยากดูทีวีเราก็อยากดูทีวีไปกับเขามันก็ไม่มีปัญหาเขาอยากไปเที่ยวเราก็ไปเที่ยวกับเขามันก็ไม่มีปัญหาถ้าไม่อยากจะทะเลาะกันก็ต้องปรับใจให้เหมือนกันเราจะอยู่กันอย่างมีความสุขข้อที่สองค่ะสามีมีอาชีพทําหวยผิดศีลหรือเปล่าคะ ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นการพนันหรือเปล่าถ้าเป็นการพนันมันก็มันก็ไม่ควรมันเป็นก็เรียกว่าเป็นมิจฉามิจฉาชีพหรือว่าเป็นอาชีพที่ไม่ไม่ทำให้เราเจริญพูดย่าไง่แต่ถ้ามันไม่ได้เป็นการพนันมันก็มันก็แต่เราไปส่งเสริมให้คนอื่นเขาเล่นการพนันมันก็ไม่ดีคนอย่าไปทำอาชีพเหล่านี้ ควรจะไปค้าค้าขายเสื้อผ้าหรือค้าขายอาหารอะไรนี้จะดีกว่าเป็นประโยชน์ทั้งกับคนซื้อกับคนขายแต่ถ้าไปขายหวยนี่คนซื้ออาจจะอาจจะล่มจมก็ได้เล่นหวยแล้วถ้าไม่ถูกก็อยากจะได้คืนก็เล่นมากๆยิ่งเล่นมากก็เดี๋ยวก็ยิ่งหมดเนื้อหมดตัวได้ยัง <c oughs> อย่าไปทำอาชีพเหล่านี้มันจะทําให้เกิด โทษกับตนเองแล้วกับโทษกับผู้อื่นด้วยข้อที่สามค่ะโยอมฝึกสมาธิพุทโธมาตีกว่าแล้วแต่ยังใจร้อนอยู่จะทําอย่างไรดีคะก็ฝึกน้อยไปไงฝึกมันมากๆหน่อยถ้ามันพุทโธไปทั้งวันแล้วรับรองได้ว่าจะไม่ร้อนอ้าพุทโธแค่วันละสีห้านาทีแล้วก็ย้ายมันเย็นมันยากเหมือนเปิดแอร์แล้วให้สีห้านาทีก็ปิดแอร์แล้วมันจะเย็นอยากจะให้ห้องมันเย็นต้องเปิดเป็นทั้งวันใช่ไหอ ถ้าอยากให้ใจเย็นก็ต้องเปิดพุดโทโธไว้ทั้งวันพุโทโธพุโทโธไว้ทั้งวันเดี๋ยวก็เย็นเองข้อที่สี่ค่ะอยากให้สามีลูกเดินเข้าธรรมะบ้างจะแนะนําเขาอย่างไรคะก็อยา่าไปอยากเพราะอยากนี่เดี๋ยวเราจะทุกข์เนี่ยถ้าถ้าแนะนําก็แนะนําได้แต่อย่าแนะนําจนกระทั่งทําให้เราทุกข์เราะบางทีแนะนําแล้วเขาไม่เขาไม่ทําตามที่เราแนะนําแล้วเราจะทุกข์ ก็ต้องระมัดระวังเวลาที่เราอยากจะไปยุ่งกับคนอื่นต้องดูคนอื่นว่าเขาเป็นเหมือนอนัตเขาเป็นอนัตตาเราไปสั่งเขาไม่ได้ไปควบคุมบังคับก็ไม่ได้เราถ้าอยากก็พูดหนเดียวก็พอพอบอกก็แล้วถ้าเขาไม่ทำเราก็ถือว่าจบหน้าที่ของเราถ้าเราอยากบ่อยๆเดี๋ยวเราจะไม่สบายใจเดี๋ยวเราจะทุกข์ใจ ถ้าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวเข็นบังคับเขาเดี๋ยวเขาก็จะไม่สบายใจกับเราเดี๋ยวแทนที่จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขาก็จะกลายเป็นการทะเลาะวิวาสกันขึ้นมาได้ข้อห้าค่ะทุกวันนี้นั่งสมาธิ <c oughs> เดินจงกรมแผ่บุญในการกระทำนี้ให้สามีและลูกให้เขามีดวงตาเห็นธรรมจะเป็นไปได้ไหมคะ ไม่ได้หรอกเรายังไม่เห็นเลยแล้วไปแผล่ก็เห็นได้ไงถ้าเราเห็นเราก็ไม่ไปแผล่เขาแล้วเราก็ปล่อยเขาไปตามอันนี้จังทุกขังอานาตตาแล้วเรายังไม่เห็นอนนี้จังทุกขังอานาตตาแล้วเราจะไปให้เขาเห็นอันนี้จังทุกขังอานาตตาได้ยังไงถ้าเราเห็นอนนี้จังทุกขังอานาตตาเราก็ไม่ไปแผล่เขาแล้วเราก็ปล่อยเขาอยู่ตามอันนี้จังทุกขังอานาตตาของเขาไปคำถามจากทางเฟซบุ๊ o นะครับคุณตาสีนะครับ นั่งสมาธิอยู่เป็นประจำมีวันหนึ่งผมได้นั่งตามปกติผมมีความรู้สึกว่าความรู้สึกทางร่างกายมีความรู้สึกแค่ศีรษะตัวเอง <c oughs> ท้องแขนขาเหมือนหายไปอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าผมมาถูกทางหรือเปล่าครับถูกก็เวลานั่งสมาธินี่จิตมันจะเข้าไปข้างในแล้วมันก็จะปล่อยข้างนอกปล่อยปล่อยขันห้าปล่อยร่างกายปล่อยอะไรดังนมันอาจจะปล่อยทีแล้ว ทีละนิดทีละหน่อยบางคนก็ปล่อยแบบพวดพลาดตกลุมตกบอ่อมันมีหลายหลา ย, หลายลักษณะด้วยกันแต่ถ้าเรานั่งไปแล้วอาการต่างๆของร่างกายหายไปนี้ก็ไม่ไม่ใช่เป็นไม่ไม่ผิดทางล้ไปถูกทางแล้แต่ถ้ามันไม่หายก็อย่าไปอยากให้มันหายเพราะบางทีมันไม่หายแต่เราไม่ไปวุ่นวายกับมันก็ใช้ได้คือใจเราไม่ไปกังวลกับมันไม่ไปวิตกกับมันไม่มีอารมณ์กับมันก็เอว่าปล่อยเหมือนกันแต่ปล่อยรูปแบบหนึ่ง จะคุณดวงนะครับถ้าจิตมีความเศร้าหมองอยู่เป็นประจำพบอัดลายเห็นอะไรก็หมุ่นหมองจะมีอุบายวิธีแก้ไขจิตอย่างไรเจ้าคะก็กำจัดเครื่องเศร้าหมองก็คือกิเลสตัณหาเนี่ยที่เราเศร้าหมองหมุนหมองเพราะความอยากความโลภของเราเห็นอะไรก็อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะไม่เป็นอย่างที่เราอยากก็เลยเศร้าหมองเนี่ยเราต้องมองเขาให้เห็นว่าเขาเป็นธรรมชาติอย่าไปบังคับธาตุทิ์อย่าไปบังคับฝนฟ้าอากาศดินฟ้าอากาศ ฝนจะตกแดดจะออกก็ปล่อยก็เป็นไปตามธรรมชาติของเขาเห็นอะไรก็ปล่อยให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขาอย่าไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วพอไม่ได้เป็นดังที่เราอยากมันก็จะทําให้ใจเราเศร้าหมองได้จะคุณแหม่มนะครับเราจะสามารถขจัดความกลัวเช่นอยากนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมแต่กลัวตุ๊กแกเป็นที่สุดจะสามารถปฏิบัติได้อย่างไร ก็ต้องฝึกสติให้มากขึ้นก่อนจะมานั่งก็พุโทโธพุโทโธไปทั้งวันตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาแล้วก็ทําอะไรก็พุโทโธไปเรือ่อก็เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปควบคุมความคิดพอเราต่อไปเวลามานั่งสมาธิพอเจอตุ๊กแกเราก็ดึงใจเรากลับมาที่ที่พุโทโธพุโทโธแล้วพอเราไม่คิดถึงตุ๊กแกเราก็จะไม่กลัวตุ๊กแก <Yeah. S 1> แต่ถ้าเราควบคุมไม่ได้มันก็จะไปคิดถึงตุกกง๊กแกเดี๋ยวตุ๊กแกมันจะมาหรือเปล่า มันก็เริจะทาให้ยิ่งกลัวอย่ายิ่งคิดถึงตุกแก่ก็ยิ่งกลัวอย่าเพราะเราไม่มีสติควบคุมความคิดที่จะไปคิดถึงตุกแก่แต่ถ้าเรามีสติเราก็จะหยุดความคิดถึงเรื่องตุกแก่ได้เพราะไม่คิดถึงตุกแก่ความกลัวตุกแก่ก็จะหายไปเราก็จะนั่งสมาธิได้จากคุณสุดท่โชคนะครับเราจะกําหนดที่จะทําให้เรามีฐานะเป็นเพียงผู้รู้ไม่แทรกแซงสิ่งที่รู้สิ่งที่เห็น และการที่ทําตนเป็นเพียงผู้รู้เราจะทําให้เราได้ทดําใดจากการกระทําเหตุนั้นเราได้ความสุขอย่างยิ่งไงบาลมังสุขขังเลยล่ะถ้าเราทําใจให้ปล่อยวางได้เราจะมีความสุข <c oughs> เวลาเราไปวุ่นวายกับเรื่องนั้นเราทุกข์จะตายไปแต่เรากลับชอบทุกข์กันชอบไปชอบไปยุ่งกับเรื่องนั้นเรื่องนี้กัน <c oughs> แต่ถ้าเราปล่อยได้ใจเราจะเบาเหมือนยกภูเขาออกจากอกเลย ที่เราหนักอกหนักใจเพราะอะไรเพราะอยากจะไปยุ่งกับเขาใช่ไหมอยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเ ข, ขาไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็หนักอกหนักใจขึ้นมาถ้าเราสักแต่ว่ารู้ว่าเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปเราก็เบาอกเบาใจสบายอกสบายใจยิ้มยิ้มแย้มแจ่มใสล่ารเริงได้ตลอดเวลานี่แหละคือผลที่เกิดจากการที่เราปล่อยวางทุกอย่างสักแต่ว่ารู้ จากคุณเบญจวรรณนะครับที่ท่านอาจารย์อธิบายเกี่ยวโยงกับสติปัฏฐานสี่การอุเบกขาตามขั้นตอนแล้วปัญญาจะแก่ก้าตามลําดับใช่ไหมคะอะ่ใช่มันก็มันจะมันก็ทุกอย่างมันจะพัฒนาไปเหมือนต้นไม้แหละแต่เราปลูกแล้วเราคอยลดน้ําพรวดินไปเรื่อยๆต้นไม้มันก็จะใหญ่ขึ้นกิ่งก้านก็จะมากขึ้นใบไม้ก็จะมากขึ้นมันก็ทุกอย่างมันก็จะเจริญเติบโตไปตามลําดับของมัน คุณอัธยานะครับเวลาปฏิบัติมรกกลัวผีควรแก้ไขอย่างไรคะทั้งที่เวลาปฏิบัติงานต้องเกี่ยวข้องกับคนตายที่เป็นศพและมีผีเอ้แต่ผีแบบศพไม่กลัวคะ่ะอก็มันไม่มีเราหลอกตัวเราเองด้วยความคิดของเราก็หยุดความคิดแไงต้องฝึกสติเวลาคิดถึงผีก็พุโทโธพุโทโธแทนพอพุโทโธพุโทโธไปความคิดถึงผีก็หายไปผีก็จะหายไป ผีเกิดจากความคิดปรุงแต่งของเราเราก็ต้องหยุดความคิดปรุงแต่งก็เท่านั้นเองคําถามจากคุณสกายฟอลค่ะ <c oughs> คุณยายกําลังจะตายร <c oughs> ่างกายไม่ไหวแล้ว <c oughs> ส่วนใจยังเจ็บปวดและบอกกลัวตายในฐานะลูกหลาน <c oughs> เราอยากให้ไปอย่างสงบหากให้ยาเพื่อให้หลับจะเป็นการไปรบกวนจิตใจหรือไม่ครับหรือว่าเราควรปล่อยไปตามธรรมชาติครับคือจิตใจนี่มัน ยายานอนหลับมันไม่สามารถไปยับยั้งความฟุ้งซ่านของจิตใจได้ถึงแม้จะหลับแต่ใจก็ยังฟุ้งอยู่ก็จะฝันแบบฟุ้งไปเวลานอนหลับก็จะฝันแบบฟุ้งไปมันไม่ได้สงบเพราะยานอนหลับจะให้มันสงบต้องพุโทโธพุโทโธไปหรือสวดมนต์ไปถ้าพุโทโธไม่เป็นก็บอกยายสวดมนต์ไปะ ถ้ายายส่วนไม่ได้ก็เปิดบทสวดมนต์แล้วยายตั้งใจฟังไปเพื่อยายจะได้ไม่ไปคิดให้ฟุ้งซ่านพอไม่คิดฟุ้งซ่านใจก็จะสง บ, บแล้วก็จะไปสบายไปดีได้จากทาง <c oughs> Facebook คุณปาปูนะครับหนูเดินปัญญาไม่เป็นข่งไม่รู้ว่าต้องคิดอย่างไรต้องคิดแบบไหนถึงจะเรียกว่าใช้ปัญญาวันนี้เข้าใจ พก็เป็นเป็นคําบอกแลาวคํา <c oughs> คถามต่อเนื่องจากข้อที่แล้วนะคะแล้วเราควรพิจารณาความเจ็บป่วยการตายอย่างไรบ้างให้หายกลัวและไม่เสียดายร่างกายครับก็พิจารณาร่างกายว่าไม่ใช่ของเราเนี่ยเป็นของขวัญที่พ่อแม่ให้เรามาเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งเราเป็นเพียงแต่ผู้รับของขวัญเราผู้รู้ผู้พิจารณาผู้คิดนี่ไม่ได้ใช่ไม่ได้เป็นร่างกาย เพะอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายมันไม่ได้เกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นกับตุ๊กตาเกิดขึ้นกับของขวัญที่เราได้รับมาจากพ่อแม่แต่เราไปหลงผิดไปมองว่ามันเป็นตัวเราของเราเราก็เลยเดือดร้อนเท่านั้นเองเนี่ยเราต้องเปลี่ยนความเห็นให้ถูกต้องให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นตุ๊กตาเป็นของขวัญที่พ่อแม่ซื้อให้เราเหมือนวันเกิดเราพ่อแม่ซื้อของขวัญให้เรามาเล่นนี่ของเล่นเล่นไปสักพักเดียวมันก็พังใช่ไหมพังก็ปล่อยมันพังไป ร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนตุ๊กตาของเล่นอันหนึ่งเดี๋ยวมันก็ต้องพังพังก็ปล่อยมันพังไปเท่านั้นเองถ้าเราปล่อยแล้วเราจะไม่ทุกข์ที่เราทุกข์เพราะเราไม่อยากให้มันพังอยากจะให้มันดีไปตลอดซึ่งมันเป็นไปไม่ได้งนั้นหยุดความอยากของเราอย่าไปอยากให้มันไม่ตายอย่าไปอยากให้มันไม่เจ็บปล่อยมันเจ็บไปปล่อยมันตายไปถ้าปล่อยไม่ได้ก็ต้องพุทโธถ้าใช้พุทโธมันก็จะปล่อยได้ แต่นี่มันต่างกับพุทโธที่จะหนีนะนี่ไม่พุทโธเพื่จะหนีพุทโธเพื่จะให้มันปล่อยต่างกันพอเรารู้แล้วเราต้องปล่อยแต่มันยังไม่ยอมปล่อยเราก็เลยใช้พุทโธให้มันปล่อยให้มันหยุดอยากแต่เราทําด้วยความรู้ทําด้วยความเข้าใจเรียกว่าปัญญาแต่ถ้าเราทําด้วยความไม่รู้พอมันเจ็บแล้วก็พุทโธหนีมันนี่เราไม่รู้ว่าเราเราไม่รู้ว่าเรายังต้องปล่อยมันะ นี่เราพุโทโธเพื่อปล่อยไม่ใช่พุโทโธเพื่อนหนีเข้าใมอ่าตามมาคำถามจากคุณสิริวัลนะครับหากมีปัญหาเกี่ยวกับการนั่งสมาธิแต่ชอบที่จะเดินมากกว่าที่จะจับลมหรือจับความรู้สึกที่เท้าบางครั้งหากมีเรื่องคาใจก็ใข้ควรให้สิ่งที่อยู่ในใจหมดไป จําเป็นใหม่ครั้งว่าควรจะต้องนั่งสมาธิบ้างอ๋อแน่นอนถ้าไม่นั่งมันก็จะไม่ได้จิตจะไม่รวมเมื่อไม่รวมก็จะไม่ได้อุเบกขาเต็มร้อยเมื่อไม่ได้เต็มร้อยก็ไม่สามารถที่จะสู้กับกิเลสได้เต็มร้อยจากคุณพีโกนะครับถ้าเห็นคนสวยหลอ่ออาการใจแบบใดที่เห็นสักแต่เห็นและเป็นอยู่ในอุเบกขาก็ใจที่เห็นว่ามันเป็นอสัศเนีไย ถ้าเห็นว่าสวยก็ต้องเห็นว่าเป็นอรสุภาพถ้าเห็นว่าสวยแล้วไม่มีอรสุภาพมันก็จะเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาเกิดการมารมลขึ้นมามันก็จะไม่สักแต่ว่าเห็นแต่พอไม่ไม่สักแต่ว่าเห็นเกิดการมารมลแล้วก็ให้มันเห็นอสุภาพดึงพิจารณาอสุภาพพอพิจารณาอสุภาพมันก็จะดับการมารมลได้พอกับดับการมารมลได้มันก็จะสักแต่ว่าเห็นได้จะคุณชลิตนะครับพอ ผมปฏิบัติไปจนลมหายใจแผ่วจนลมหายใจไปในที่สุดและมวลน้ำหนักตัวก็หายไปด้วยผมควรจะทำอะไรต่อครับ <Hey. S 2> เมื่อถึงจุดนี้แล้ว <c oughs> ผมจะสามารถก้าวต่อไปในขั้นวิปัสนาภาวนาได้หรือไม่ครับ <c oughs> ถ้าได้ควรจะทำอย่างไรถ้าถึงจุดนั้นให้รู้เฉยๆไปให้รู้เฉยๆให้มันเน่งไปนานๆอย่าให้มันคิดถ้ามันคิดก็ต้องหยุดมันอย่าปล่อยให้มันคิด <c oughs> แล้วก็ให้มันอยู่ในจุดนั้นให้นานที่สุดเท่าที่มันจะอยู่ได้จนกว่ามันจะถอนออกมามาคิดปรุงแต่งมามารับรู้เรื่องราวต่างๆเน้วถึงให้พิจารณาเรื่องราวต่างๆที่เรารับรู้ว่าเป็นตายรักไปให้หมดคิดถึงเงินก็ว่าเป็นตายรักคิดถึงแฟนก็เป็นตายรักคิดถึงลูกก็เป็นตายรักคิดถึงอะไรที่เรามีอยู่นี้เป็นตายรักทั้งหมดเราจะต้องเสียมันวันใดวันหนึ่งมันจะต้องพัดภาคจากกันเป็นธรรมดา คิดอย่างนี้แล้วต่อไปเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาจะได้ไม่เสียใจจะไม่ได้จะได้ไม่ทุกข์ใจจะทำใจจะรักษาใจให้เป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้ได้จากคุณ <c oughs> พอลี่แจนนะครับข้อ <c oughs> ที่หนึ่งจะฝึกปฏิบัติอย่างไรหรือพัฒนาสติอย่างไร <c oughs> เพื่อให้จิตมีความอดทนอดกั้นมีความวางเฉยสักแต่ว่ารู้ เมือ่อผัสสะตา่ตางๆมากระทบเจ้าคะก็ต้องมีสติตลอดเวลาก็ฝึกพุทโธไปตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาลืมตาก็พุทโธไปทํางานอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็พุทโธไปถ้าต้องใช้ความคิดก็หยุดพุทโธชั่วคราวพอคิดเสร็จแล้วก็กลับมาพุทโธต่ออย่าปล่อยให้คิดเพ้อเจ้อเพ้อฝันแล้วคิดไปตามความอยากต่างๆเพราะมันจะทําให้ใจไม่เป็นอุเบกขาพราะเกิดความอยาก้็ใจจะสั่นขึ้นมา ใจจะกระวนกระวายกระสับกระสายหุดหงิดนำขาญใจขึ้นมาทันทีข้อที่สองการพิจารณาด้านปัญญาควรจะทําทันทีที่ออกจากสมาธิใหม่เจ้าคะและควรจะนําสิ่งใดหรือเรื่องอะไรมาพิจารณาเพื่อพัฒนาด้านปัญญาในเบื้องต้นเรื่องที่เรากังวลที่สุดเนะ่ยเรากังวลกับเรื่องไหนก็เอาเรื่องนั้นก่อนเนะี่ยเรื่องอะไรที่ทําให้เราทุกข์เอามันก่อนเลย ถ้าเอามันจากสมาธิใหม่ๆมันจิตมันจะมีอุเบกขามากมันจะพิจารณาได้เห็นได้ชัดแล้วปล่อยวางได้ง่ายถ้าปล่อยมันสักพักเดี๋ยวอุเบกขามันหายความนักชังกลัวหลงเข้ามาข้องํามันก็จะพิจารณาไม่ออกมันจะปล่อยไม่ได้ฉะั้นเวลาเอาจากสมาธิมาใหม่ๆถ้าเราเคยกังวลกับเรื่องอะไรก็เอาเรื่องนั้นมาพิจารณาเพื่อให้ปล่อยมันให้ได้กังวลกับโรคภัยไข้เจ็บกลัวจะเป็นโรคมะเร็งนี่พิจารณาให้มันเห็นว่า มันไงก็ต้องเจออยู่ดีไม่โรคอะไรก็ต้องโลกอะไรสักอย่างไม่ไม่ใช่ดูว่าสิ่งที่มากระทบเราเราก็ได้ทั้งนั้นไงได้ทั้งนั้นอะไรที่มันเป็นปัญหาก็พิจารณาได้ทันทีถ้าไม่มีเรื่องอะไรที่เป็นปัญหาในขณะนั้นก็คิดถึงเรื่องที่จะเป็นปัญหาในอนาคตมาพิจารณาก็แล้อ๋อให้คิดเลยเหรออ่า จะได้เตรียมทําข้อสอบไว้ไงทำทำเตรียมทําการบ้านไว้เดี๋ยวเกิดข้อสอบมาเราจะได้ทําข้อสอบได้ไม่ใช่เป็นเพราะว่าเอาเรื่องว้าวุ่นเข้าไปในใจไมพพ่พิจารณาปัญญาไ ม, ไม่ไม่ว้าวุ่นมันสงบมันจะปล่อยวางถ้ามันว้าวุ่นแสดงว่ากิเลสมันยังมีกําลังสร้างความว้าวุ่นอยู่บางคนพิจารณาความตายแล้วจิตใจเศร้าเลยอย่างนี้ก็แสดงว่ากิเลสยังมีกําลังมาก ไม่มีอเบรขาพอที่จะพิจารณาความตายได้ก็อย่าเพิ่งไปพิจารณาครับถามจะคุณวาดนะครับเรานั่งสมาธิอยู่เกิดมีเสียงดังเข้ามาเราเห็นแสงเข้ามานั้นคือแสงอะไรออไม่ต้องไปสนใจให้ดูว่ามันเป็นอ น, น, นัตตาอันนี้จังเราไปห้ามมันไม่ได้อันนี้จังมันเกิดแล้วก็ดับอย่าไปสนใจกลับมาอยู่กับการภาวนาของเราต่อไป ถ้าราพุโทโธก็พุโทโธต่อไปดูลมก็ดูลมต่อไปจะคุณกันนิกานะครับเวลานั่งสมาธิเราต้องนั่งขัดสมาธิตลอดหรือเปล่าเจ้าคะโยมนั่งสมาธิถึงระดับที่นิ่งดูลมจนแผ่วเบ า, เบาแต่ขาจะเริ่มรู้สึกปวดเพราะนั่งนานได้แค่ระดับหนึ่งถ้าอยากให้มันสงบเต็มที่ก็ต้องปล่อยร่างกายอย่าไปยุ่งกับร่างกายถ้ากลับมาขยับร่างกายก็กลับมาเริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่ ยถ้าไม่อยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่ก็ต้องปล่อยให้มันเจ็บไปให้มันชาไปเราก็เฝ้าดูลมไปเรือพุโทโธไปอย่าไปสนใจกับความเจ็บไปเดี๋ยวจิตมันก็จะดิ่งเข้าสู่ความสงบได้ถ้ากลับมาขยับน่่งกายก็กลับมาเริ่มต้นใหม่คำถามจากคุณเมธินีค่ะทำสม า, า ม, าามากรกามฐานมาก่าก่อนนอนแล้วเกิดอาการประสาทหลอนช่วงเวลาตกภวังหลับ คือจะรู้สึกว่าร่างกายมีการเคลื่อนไหวทั้งแบบตัวเองเคลื่อนเองหรือคนอื่นทำให้เคลื่อนทั้งทั้งที่จริงๆแล้วตัวเองยังนอนอยู่กับที่และไม่มีใครอยู่ด้วยช่วงที่ไม่ได้ทำสมาธิจะไม่เป็นทำให้รู้สึกกลัวในการฝึกต่ออยากทราบว่าอาการที่เกิดขึ้นคืออะไรและจะแก้ไขอย่างไรครับก็เป็นอาการของจิตนก็ให้รู้ว่ามันเป็นเหมือนมายาหลอกเราท่านเองให้มีสติรู้เฉยๆสักตว่ารู้ มันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปบางทีมันเป็นอาการที่มันจะก่อนที่มันจะสงบมันมักจะแสดงอาการมาหลอกเราเหมือนผีอั่มแต่เราค่หยรู้ว่ามันเป็นเป็นการเล่นละครของของจิตให้เราดูเป็นมายาเหมือนกับการเล่นกลของจิตเราก็เป็นคนดูก็ดูไปก่อนที่มันจะสงบในก่อนที่มันจะหลับมันมักจะทำอาการต่างๆเหล่านี้ได้ไม่ต้องไปกลัวไม่มีอะไรน่ากลัว จะคุณอำนวยนะครับการทําบุญที่อุทิศให้กับผู้ตายผู้ตายผู้ตายจะได้หรือหลุดพ้นได้ไหมครับเ อ, อไม่ได้หล้วเพื่อจะได้ได้บุญนิดหน่อยเพื่อจะได้ประครับประคองจิตไม่ให้ไม่ให้หิวโหวยมากจนเกินไปพวกที่รับบุญนี้เป็นเหมือนพวกขอทานเวลาที่มีชีวิตอยู่ไม่สนใจที่จะทําบุญพอตายไปเลยไม่มีบุญติดตัวไปก็เลยหิวโหวยก็เลยมาขอส่วนบุญพอที่จะ ประทางความหิวโหยไปได้วันวันหนึ่งเทนั้นเองแต่เรื่องหลุดพ้นนี่มันเป็นไ ป, นปนไม่ได้ตัวคนอุทธิชยังหลุดพ้นไม่ได้แล้วจะไปอุทธิให้คนมันจะหลุดพ้นได้ยังไงคำถามจากคุณลุงสิรินะครับปฏิบัติจนแจ้งในอริยสัตว์แล้วตัวเรานี่เองคืออริยสัตว์ทําไมอริยสัตว์จึงเป็นตัวอวิชาตัวเรานี่เองเป็นอวิชาเกิดเป็นวิชาขึ้น ทำอย่างไรจึงจะทำให้วิมุตติญ า, ภาณภัศนะขึ้นเจ้าคะอันนี้ก็ยังอวิชาอยู่ไม่จับต้นชนปลายไม่ถูกไ ป, ไปเรียงลำดับใหม่ไปไ ป, ไปศึกษาใหม่่ไดไม่รู้จะจับต้นชนปลายตรงไหนดีไม่รู้ว่าจะจอบตรงไหนดีตอบไปตรงไหนก็งงอยู่ดี ยังไม่ได้ขอตอบดีกว่ามาเริ่มต้นที่พุโทโธดีกว่าอา่าทาใจให้สงบก่อนใจให้สงบแล้วจะสามารถจับต้นชนปลายได้นะจะคุณนพลนะครับความรู้สึกเจ็บช้ําน้ําใจเกิดขึ้นจะแก้อย่างไรครับและความน้อยเนื้อต่างใจล่ะครับก็มันเกิดจากความอยากของเราอะอยากให้เขาดีกับเราอยากให้เขาสรรเสริญเราพอเราไม่ได้เราก็เจ็บช้าน้ําใจเสียใจ ก็หย <obe en> ุดความอยากเสียเขาบอกว่าเปลี่ยนใจแล้วต่อไปนี้เราไม่หวังอะไรจากใครแล้วเราก็จะไม่มีความเจ็บช้าน้ําใจเหรือให้ให้คิดแบบพระเจ้าคิดอย่างให้คิดอย่างนี้ว่าถ้าเขาไม่ชอบเราก็ให้คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ด่าเราถ้าเขาด่าเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ตีเราถ้าเขาตีเราก็ให้คิดว่าดีแล้วก็ยังไม่ฆ่าเราถ้าเขาฆ่าเราก็ดีแล้วจะได้หมดแก่หมดเวงหมดกรรมกันไป จากคุณซีซ <Dynamic other hàng> ่านะครับทุกสิ่งที่เกิดกับเราเป็นเพราะกรรมเป็นตัวกําหนดใช่หรือไม่ก็ไม่ทุกสิ่งแหะบางทีก็เรื่องของธรรมชาติฝนฟ้าอากาศที่เกิดฝนตกแดดออกนี่มันไม่ได้เป็นเรื่องของกรรมไอเรื่องของกรรมนี่มันก็เรื่องความที่ชีวิตเราขึ้นขึ้นลงลงนี่ยมันส่วนส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของกรรมอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของสิ่งรอบล้อมเศรษฐกิจไม่ดีมันก็ทําให้ชีวิตเราตกต่ําได้ แต่ไม่ใช่เรื่องของกรรมแต่ถ้าเศรษฐกิจดีอากาศดีทุกอย่างดีเรายังตกต่ำอยู่นั่นอันนั้นกรรมคนหนึ่งเขาขึ้นมีแต่เราลงคนเดียวคุณสายจิตนะครับเวลานั่งสมาธิแล้วมีเสียงภายนอกรบกวนควรนั่งต่อหรือหยุดนั่งคะอ๋อนั่งต่อพยายามไม่สนใจให้พุทโธต่อไปไม่งั้นเราก็จะไม่มีวันที่จะนั่งได้เดี๋ยวนั่งอะไรพออะไรมากระทบใจหน่อยก็เลิกนั่ง เป็นอุบายของกิเลสกิเลสมันพยายามจะหาแม่น้ําทั้งห้าเนี่ยมันคอยชักเราชักยุงเราให้เราเลิกนั่งเนี่นเราต้องมีความแน่วแน่ต่อการนั่งว่าไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างนั่งแบบพระพุทธเจ้านั่งใต้โคนต้นโพนี่ยตท่านจะนั่งจนาจากาจะตัดทะลุการาเลื่อนในร่างกายเหือดแห้งไปก็จะไม่ลุกเราต้องใช้แบบนี้มันถึงจะนั่งได้ ไม่เดี๋ยวนั่งนิดเจ็บตรง น, นั้นหน่อยก็เลิกได้ยินเสียงนั้นนิดก็นะก็อยากจะเลิกพอได้กินอาหารหน่อยชอยเข้ามาเป็นจมูกก็อยากจะไปกิ น, เ, นเ อ, เอ่มันก็เลยไม่มีวันที่จะนั่งได้พี่โกนะครับการกักตุนสินค้าเพื่อขายในราคาที่สูงขึ้นเป็นบาปมากไหมคะคมก็เป็นความโลภนะเป็นความโลภแล้วเป็นความร้ายเมตตาร้าความเมตตาเอาสร้างความสุขบน ก, กองทุกขของผู้อื่น ขายของแพงเกินเกินเอากําไรเกินควรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็นความโลภเป็นความเห็นแก่ตัวเป็นการสร้างความสุขบุญกองทุกข์ของผู้อืไม่ควรจะทําถ้าคนที่มีความเมตตาจะไม่ทําอย่างนี้คนที่มีความเมตตาถ้ากักตุนก็แจกเลยมีมากเกินไปขายแจกเลยอย่างเงี้ยถึงเรียกว่าเป็นคนมีความเมตตาถ้ากักตุนเพื่ออาไปแจกไม่เป็นไรกักตุนได้ เวลาเกิดน้ำท่วมเกิดไฟไหม้ก็เอาไปแจกเลยถ้ากักตุนแบบนี้ไม่เป็นไรถ้ากักตุนเพื่อจะขายเอากำไรราคาขึ้นมากขึ้นจะได้ขายได้กำไรมากขึ้นอัแบบนนี้ไม่ดีไม่ใช่เป็นนิสัยของคนที่มีความเมตตาบ่นได้ยังสองคำถามสุดท้ายนะครับจากคุณพัชรานะครับบางคนมาเดินปัญญาได้เลยคำถามค่ะหนึ่งคือคนนั้นสามารถพิจารณาทุกข์เป็นไตรักหรือคะ สามารถเห็นว่าทุกเกิดจากความอยากอยากในสิ่งที่มันไม่เที่ยงให้มันเที่ยงอยากในสิ่งที่ไม่ได้เป็นของเราให้เป็นของเราเขาเห็นว่ามันเป็นไปไม่ได้เขาก็เลยหยุดความอยากปล่อยให้มันไม่เที่ยงไปปล่อยให้มันไม่เป็นของเราไปใจก็จะไม่ทุกข์ข้อที่สองคนที่เจ็บป่วยหนักแล้วจิตเห็นกายป่วยคือเห็นเป็นกายไม่ใช่เราทั้งที่ไม่เคยฝึกปฏิบัติมาคือเดินปัญญาเลยเหมือนกัน หรือไม่คะควรไปฝึกเจริญสมถะกรรมฐานให้มากขึ้นใหม่คะก็อยู่ที่ว่าปล่อยได้หรือเปล่าเห็นแล้วว่าไม่ใช่ตัวเราแล้วปล่อยมันได้หรือเปล่าปล่อยมันเจ็บปล่อยมันตายโดยที่ใจผู้ที่เห็นไม่เดือดร้อนได้หรือเปล่าเห็นศักดิ์แต่ว่าเห็นเหมือนคนดูหนังเนี่ยดูแล้วดูเฉยเฉยได้เปล่าไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจกับหนังที่เราดูได้หรือเปล่าถ้าถ้าดูเราไม่ตื่นเต้นตกใจก็แสดงว่าเรามีสติเราไม่ได้หลงไปกับหนังที่เราดู ร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนหนังที่เราดูเราไปตื่นเต้นตกใจไปกับมันหรือเปล่าถ้าเราไปตื่นเต้นตกใจถึงแม้เราจะเป็นเราเป็นรู้ว่าเราเป็นคนดูอยู่เราก็ยังไม่มีปัญญาพอที่จะหยุดความตื่นเต้นตกใจของเรางั้นเราต้องดูแล้วเราต้องปล่อยวางให้ได้ด้วยต้องไม่ตื่นเต้นตกใจต้องสั่งแต่ว่ารู้ให้ได้รู้เฉยๆหมดหรือยังหมดจ้าพระจานร์หมดแล้วนะก<ม>็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา